นมัสการอาจารย์พระมหาประจวบนะค ร, บครับเพื่อนสหธันมิกเจริญพรญาติโยมเพื่อนร่วมทุกข์ทั้งหลายทุกไม่ทุกละจำได้ไหมเจอกันครั้งก่อนนะที่นี่เดือนธันวานหลวงพ่อพยากรไปแล้วว่าปีนี้ไม่แน่หรอก มีอะไรแน่ไม่มีนะอะไรๆก็ไม่แน่ดูการบ้านการเมืองก็ไม่แน่นี่ไหมหลวงพ่อจะมาเทศยังไม่แน่เลย <laughs> <โ>ล <sidewalk> บางคนมาวันนี้กะจะมาฟังหลวงพ่ อ, พอถแถลงการ <c oughs> เข้าใจผิดแล้วนะ <c oughs> สาราลุงชินเขานิหมดประเทศไม่ได้นี่หมดมาถแถลงการนะ พูดหน่อยนึงก็ได้เดี๋ยวเสียใจมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะในโลกมีคนชอบก็ต้องมีคนไม่ชอบนี่แหละโลกหละนะบางคนสงสั ย, ยคนด่าหลวงพ่อมาเป็นปีๆทำไมหลวงพ่อช่วยดูวันทวนแข็งแรงกว่าเก่าอีกชิดง่ายๆนิดเดียวถ้าหลวงพ่อทำความผิดจริงไม่ต้องด่าล่วงหน้าเป็นปีหรอก นะก็จับเราสึกไปสิใช่ไหมตั้งอธิการสอบสวนมีความผิดจริงก็สึกไปก็เท่านั้นเองทำไมต้องบอมด้วยข้อมูลเป็นปีๆนะสุดท้ายทาไมจะต้องมาสร้างสถานการณ์ที่สาราลูชิ น, นเอาสำนวนมาจับให้เป็นข่าวตอนบ่ายจ ะ, ะแถลงข่าวอนะไรเงี้ยสิ่งที่ต้องการกต้องการสร้างกระแสให้สังคมรับรู้ว่าโอ้พระประโมที่พระอรัชชีนะ ต่อไปสอบมาเราไม่มีความผิดอะไรเลยแต่ว่าคนก็ตราตรึงใจแล้ววันนี้พระอรชีนะต้องการอย่างนี้แหละนะคือถ้าเราผิดจริงนะไม่ต้องทำเรื่องอย่างนี้เราคิดดูพระถูกศึกไปตั้งเท่าไหร่แล้วมีใครก็ต้องทำอย่างนี้หมต้องบอมด้วยข้อมูลเป็นปีๆเลย่าสร้างสถานการณ์จะเอาสื่อมาเล่นงานเราอุตส่าห์ไปติดต่อสื่อตั้งเยอะนะตามนะักสื่อพิมพ์ต่างๆส่งข้อมูลไปให้ น่อยเขาไม่ได้เขียนเชียหลวงพ่อเสอีกเ <c oughs> นี่ยต้องขอบคุณสื่อจำนวนมากเลยนะช่วยหลวงพ่อบางท่านไม่เคยรู้จักเขานะบางคนก็เคยรู้จักบ้างอย่างคนแรกเลยกรโดดออกมานะคุณดังตรินโดดออกมาไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรเลยจะเจ็บตัวซะเปล่าๆอีกค น, นคุณกีเรนกีเรนประลองเชิงไทยรัฐ อาจารย์ภูเตสวนของวันเรือนองค์ที่เด็ดขาดมากเลยนะหลวงพ่อภัยศารวิสาโรรู้จักท่านไหมพอท่านเขียนเสร็จนะท่านรู้ว่าจะลงมติชนวันอาทิตย์นะพอลงปุ๊บนะท่านเข้าไปอยู่ที่สวนสันที่ธรรมเลยท่านบอกท่านขอลีพาย <c oughs> <c oughs> ไปอยู่ัะตั้งหลายวันนะนะอยู่ดอกเตอร์สุวิณัยหลวงพ่อไม่เคยรู้จักนะเขาก็เขียน ช่วงที่ไม่เจอพวกเราหลวงพ่อก็ช่วยโอกาสนะไม่ได้รับนิมนต์ว่างนะเอาไปกราบครูบาอาจารย์คนมันชอบมาปลายข่าวว่าหลวงพ่อเข้าวัดป่าไม่ได้เลยเข้าให้ดูเลยนะเข้ามาซะเยอะแยะเลยเห็นมีปัญหาสักวัดเลยนะมีแต่ครูบาอาจารย์ท่านบอกให้ไปช่วยกันสอนนะให้ช่วยกันเผยแพร่เพรายุคนี้คนไม่มีศีลมีธรรมเยอะเหลือเกินท่านมองตรงนี้นะท่านมองหลวงพ่อในไหนฐานะที่ว่า เรามาปลุกให้คนสนใจธรรมะได้มากมายมหาศาลซึ่งเป็นปรากฏการณนะ์ในใจของครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยท่านไม่มีหรอกความอิจฉาริษยาอนะไรท่านกลับสนับสนุนให้สิ่งนะงั้นในโลกน้ำก็เป็นอย่างนี้แหละมีคนรักก็มีคนเกลียดมีสรรเสริญแล้วก็มีนินทามีสุขแล้วก็มีทุกข์ใช่ไหมมีลาบแล้วก็เสื่อมลาบบางคน ร่ำรวยใช่ไหมอยู่ดีๆเขาก็เผาร้านค้าของตัวเองไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนะคนยุคนี้นะควรจะมีเมตตาต่อกันนะเพราะในโลกเนี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์ความทุกข์โดยตัวของเราเองเนี่ยทุกสารพัดอยู่แล้วในร่างกายเราก็เต็มไปด้วยความทุกข์นะในใจของเราก็มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลย คือตัวเราโดยธรรมชาติโดยความมีธาตุมีขันมีกายมีใจมันก็ทุกข์อยู่โดยตัวของมันเองอยู่แล้วนะเราอยากไปเพิ่มทุกข์ให้คนอื่นก็นละกันนะค่อยๆเรียนรู้เอาความทุกข์ในใกายในใจในี่หละมาเรียนรู้เพื่อพัฒนาจิตใจตัวเองถ้าวันใดจิตใจเรายอมรับความจริงว่าขันห้าเป็นทุกข์กายนี้ใจนี้เป็นทุกขนะ์ยอมรับความจริงได้จิตมันจะแยกตัวออกจากขันนะ จิตกับขันเนี่ยจะพรากออกจากกันแยกออกจากกันได้เป็นเรื่องแปลกเมื่อจิตกับขนันแยกออกจากกันได้นะขันยังเป็นทุกข์ตามหน้าที่ของขนันนะร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่ตามหน้าที่ของร่างกายแต่จิตจะไม่หวั่นไหวนะร่างกายจะมีความสุขจะมีความทุกข์จิตใจจะเป็นอย่างน้นจิตใจจะเป็นอย่างนี้จิตใจไม่หวั่นไหวนะใจมันจะแยกออกจากขนัขนขันนั้นก็มีแต่ความแปรปรวนไปเรื่อย แล้วเราเรียนนะค่อยๆเรียนธรรมะพวกเรามีบุญแล้วนะมีบุญได้สนใจธรรมะได้ฟังธรรมะการศึกษาการปฏิบัติธรรมนั้นจะนําความสุขที่ยิ่งใหญ่มาให้เราทุกวันนี้เราก็วิ่งหาความสุขวิ่งหาความสุขมาตั้งแต่เด็กแล้วตอนเด็กๆความสุขของเราก็ยิงอาศัยอยู่กับพ่อกับแม่พ่อแม่รักเราก็มีความสุขนะบางคนพ่อแม่ไม่รักหรือพ่อแม่เสียไปพ่อแม่ทิ้งไปอะไรอย่างนี้ พราะว่าวเวเนี่ยความสุขของเรายิงอาศัยอยู่กับพ่อกับแม่โตขึ้นมาหน่อยนะความสุขของเรายิงอาศัยกับญาติพี่น้องความสุขอิงอาศัยอยู่ก erm ับเพื่อนต่อมาเขามาทํางานมาเรียนหนังสือเนี่ยความสุขของเราอิงกับการเรียนถ้าเรียนได้ดีก็มีความสุขทํางานได้ตําแหน่งดีๆแล้วมีความสุขมีเงินเดือนมากๆแล้วมีความสุขความสุขของเราอิงอยู่กับสิ่งอื่นตลอดเวลาเลย ความสุขเหล่านั้นแปรปรวนเราต้องเป็นความสุขที่พึ่งคนอื่นมันพึ่งตัวเองไม่ได้เราพระพุทธเจ้าสอนเราจะเราค้นพบความสุขที่ไม่อิงอาศัยอะไรความสุขนี้อศัศจรรย์ที่สุดไม่ได้หามาด้วยการวิ่งหาความสุขนะความสุขนั้นยิ่งวิ่งหายิ่งไม่เจอเหมือนเราวิ่งจับเงาดวงอาทิตย์อยู่ข้างหลังเรานะเราเห็นเงาทอดไปข้างหน้าเราวิ่งจะตะครุบเงาศีรษะของตัวเองวิ่งไป เงาก็วิ่งหนีไปเรื่อยความสุขก็เหมือนกันเราเที่ยวสแสวงหาเท่าไรเหมือนเหมือนจะหยิบมาได้แป๊บเดียวก็หลุดมือไปอีกแล้วจับมันไม่ได้จริงพระพุทธเจ้าเลยไม่ได้สอนให้เราวิ่งหาความสุขท่านสอนให้เราหันมาเผชิญกับความจริงไม่ได้หาความสุขนะแต่หาความจริงมาดูความจริงเลยว่าความทุกข์มันอยู่ที่ไหนล่ะความทุกข์อยู่ในกายความทุกข์อยู่ในใจ ถ้าความทุกข์อยู่ในกายเราไปเดือดร้อนอะไรด้วยก็เพราะเรายึดกายความทุกข์อยู่ในใจเราไปเดือดร้อนอะไรด้วยเพราะเราเรายึดใจเราถึงได้เดือดร้อนด้วยนะถ้าเราไม่ยึดถือมันจะไม่เดือดร้อนนะทุกวันนี้ที่เดือดร้อนเพราะยึดถือยึดถือในกายยึดถือในใจนั่นเองทำยังไงจะไม่ยึดถือไม่ใช่อยู่ๆไปสั่งมันได้บางคนก็คิดตื้นไปจะไม่ให้รักกายก็เอากายไปทรมาน มันอดข้าวอดนอนนะเป็นนอนบนตะปูบางคนก็เอาตัวเองไปฝังดินโผล่หัวโผล่จมูกมาหน่อยทรมานร่างกายหวังว่าจะไม่ให้รักร่างกายสุดท้ายมันก็รักเกันได้มันไม่ใช่วิธีนะหรืออยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนคิดว่าทรมานใจแล้ววันหนึ่งจะไม่ยึดถือใจมันกลับพลิกเป็นกิเลสที่ละเอียดขึ้นไปเราดูไม่ทันหรอก อ ย, อยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนนะนานนานไปมันจะรู้สึกว่ากูเก่งกูเก่งนะแทนที่จะเห็นว่าไม่มีตัวกูนะกลายเป็นกูเก่งอีกแล้วนันพระพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนนะให้เราเข้าไปแก้ไขไปดัดแปลงไปจัดการกับความทุกข์กับตัวทุกข์ท่านสอนสิ่งซึ่งอัศจรรย์ท่านสอนให้เรารู้ทุกข์รู้ทุกข์คืออะไรอะไรคือทุกข์ขันห้าคือทุกข์ แั้หน้าที่ของเราต้องรู้ขันห้าหลวงพ่อชอบคําสอนอันหนึ่งของท่านอาจารย์พระมหาบัวรุ่นนี้ชอบเรียกท่านว่าหลวงตานะคนรุ่นหลวงพ่อเวลาไปหาท่านไปเรียนจากท่านสมัยก่อนเรียกท่านว่าท่านอาจารย์พระมหาบัวมันมีท่านมีหลวงปู่บัวอีกองสมัยนั้นท่านเลยยอมมาเป็นหลวงตาให้ต่างกับหลวงปู่บัวท่านอาจารย์พระมหาบัวท่านสอนนะว่าการภาวนาเนี่ย ถ้าทิ้งการแยกธาตุแยกขันธ์ซะแล้วเนี่ยไม่ได้เดินปัญญาจริงหรอกนะการพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์เนะรา อ, อะไรเราต้องมาหัดแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราแยกออกเป็นส่วนๆคําว่าขันธ์ฟังแล้วน่ากลัวภาษาไทยก็คือคําว่าเป็นกองๆองเป็นส่วนๆนั่นเองแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆส่วนของร่างกายส่วนของความรู้สึกสุรู้สึกทุกข์ส่วนของความปรุงดีปรุงร้าย ส่วนของความจำได้ความหมายรู้ส่วนของความรับรู้คือส่วนของจิตสิ่งที่ประกอบเป็นตัวเราก็คือขันหานีนะ้เราเรียนลงมาในขันหะเรียนลงไปเรียนลงไปในร่างกายจนเห็นว่าร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราเรียนลงไปในเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยเฉยเรียนไปจนเห็นว่าเวทนาก็ไม่ใช่เรานะไม่ใช่เรียนเอาชนะเวทนานะบางคนทากรรมฐานไปนั่งสมาธินะปวด ่ะนั่งทนทนไปจนกว่าจะหายปวดเนี่ยต้องการอะไร ต, ต้องการชนะเวทนาชนะได้ก็ดีเหมือนกันนะั่นได้ความอดทนอดกลั้นนะได้ความเข้มแข็งของจิตใจแต่ไม่ใช่วิปัสสนาะวิปัสสนาเราต้องการเรียนจนเห็นว่าเวทนาเองก็ไม่ใช่เราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะตัวความจำได้ความหมายรู้นะจารูปจาเสียงจากลิ่นจารสได้นะ หมายรู้ว่าเที่ยงหมายรู้ว่าไม่เที่ยงหมายรู้ว่าสุขหมายรู้ว่าทุกขหมายรู้ว่าเป็นตัวตนหมายรู้ว่าไม่ใช่ตัวตนทั้งตัวความจําได้ตัวความหมายรู้เรียกว่าสัญญาเนี่ยไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาตัวความปรุงแต่งปรุงดีปรุงชั่วปรุงกลางกลาไม่ดีไม่ชั่วเรียกว่าสังขารอย่างความรอบความโกรธความหลงเนี่ยเป็นความปรุงฝ่ายชั่วศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอะไรพวกนี้อันนี้เป็นความปรุงฝ่ายดี ถ้าเราภาวนาเป็นเราก็จะเห็นศรัทธาไม่ใช่คนสติไม่ใช่คนสมาธิไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาปัญญาไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาความรอบความโกรดความหลงไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาหัดดูไปเรื่อยก็เห็นสังขารก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่คนไม่ใช่ตัวเรานี่เรียนไปนะดูไปทีละตัวทีละตัวตัวไหนเด่นชัดขึ้นมาดูตัวนั้นไปก่อนร่างกายเคลื่อนไหว เห็นร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานั่งอยู่นะนั่งสบายๆเห็นร่างกายที่นั่งอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเรานะนั่งไปนานๆเกิดความปวดความเมื่อยมีสติรู้ทันความปวดความเมื่อยที่เกิดขึ้นในร่างกายก็ะจะเห็นอีกความปวดความเมื่อยไม่ใช่เราใครเห็นว่าความปวดเป็นตัวเราบ้างมีไหมลองดูเป็นส่วนๆ น, นะจะไม่มีเราหรอกแต่ถ้าขาดสติมันรวมกันมาขันห้ารวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันจะรู้สึกว่าเราปวด แต่พอความขันห้ากระจายตัวแยกตัวออกไปเป็นส่วนส่วนรูปส่วนรูปของร่างกายนะเวทนาความรู้สึกปวดส่วนหนึ่งจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ส่วนหนึ่งเราจะเห็นว่าแต่ละส่วนแต่ละส่วนไม่มีตัวเราเ น, นี่ค่อยหัดไปเรื่อยนะความโกรธความโลภความหลงอะไรเกิดก็มีสติรู้ทันความโกรธเกิดขึ้นแล้วดูลงไปความโกรธเป็นคนหรือเปล่าความโกรธเป็นสัตว์หรือเปล่าใครเห็นความโกรธเป็นคนบ้างมีไหม ไม่มีแต่ถ้ามันเผลอนะมันขาดสติขันห้ามารวมตัวเป็นก้อนเดียวกันมันจะรู้สึกว่าเราโกรธนะแต่พอขันห้ากระจายออกไปแล้วมันจะไม่มีเราโกรธแล้วนะจะเห็นว่าความโกรธก็ไม่ใช่เรานะจิตที่ไปรู้ความโกรธก็ไม่ใช่เรานะเนี่ยการภาวนานะถ้าถึงขั้นในการเจริญปัญญาแล้วเนี่ยจะทิ้งการแยกธาตุแยกขันธ์ไม่ได้นะต้องฝึกหัดแยกธาตุแยกขันธ์ไปแต่ก่อนจะมาถึงขั้นแยกธาตุแยกขันธ์ได้เนี่ย ต้องรักษาศีลไว้ก่อนนะถ้าคนไม่มีศีลจิตจะไม่สงบคนมีศีลจิตจะสงบง่ายนะคนไม่มีศีล น, นะคิดจะฆ่าเขาคิดจะตีเขาคิดจะด่าเขาเนี่ยคิดจะขโมยเขาคิดจะเป็นชู้เขาคิดจะมีกิ๊กอะไรเงี้ยหาความสงบไม่ได้จิตจะฟุ้งซ่านง่ายเพนั้นเบื้องต้นพวกเราต้องรักษาศีลก่อนนะนี่ครูบาอาจารย์ท่านฝากมานะบอกให้ช่วยมาเน้นเรื่องศีลกระยมหน่อยนะพวกโยมทุกวันนี้ไม่มีศีลมีธรรม ไม่เฉพาะโยมหรอกพระก็เหมือนกันเป็นทั้งหมดเลยนะยุคนี้อาจารย์มหาบัวถึงบอกนี่ยุคบ้านหมาเมืองหมานะไม่ใช่บ้านคนเมืองคนคนมันไม่มีศีลนะถ้าเป็นคนต้องมีศีลเนะฉะนั้นก็เรามีศีลไว้ก่อนนะทําให้ใจสงบง่ายถัดจากนั้นพอเรามีศีลแล้วเรามาฝึกจิตนะบทเรียนที่หนึ่งนะรักษาศีลการฝึกรักษาศีลเนี่ยเป็นบทเรียนชื่อว่าศีลและศก ข, ขา ถ้พูดให้เต็มยศนะจะชื่ออะธิศีลศิกขามีอะธิด้วยยิ่งใหญ่นะบทเรียนอย่างยิ่งใหญ่เลยบทเรียนอย่างยิ่งใหญ่ในเรื่องของศีลพอเรามีศีลแล้วต่อไปนี้เรามาฝึกจิตฝึกจิตบทเรียนที่ฝึกจิตเนี่ยชื่ออะธิจิตตศิกขาเรียกย่อๆว่าจิตตสิกขาเรียนเรื่องจิตถ้าเรียนเรื่องจิตแล้วจะได้อะไรจะได้สมาธิถ้าเรียนเรื่องศีลจะได้อะไรจะได้เรื่องศีลจะได้ศีลจะได้ความมีศีล ถ้าเรียนเรื่องจิตจะได้สมาธินะบทเรียนสุดท้ายถึงจะเป็นอาทิปัญญาสิกขาก็หัดแยกธาตุแยกขันธ์อย่างที่คุยตะกี้เนี้ยนะค่อยๆดูไปดูร่างกายเราเป็นส่วนหนึ่งนะร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่จิตเวทนาก็ไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตนะสังขารที่เป็นกุศลอกุศนะลไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในจิตเนะี่ยหัดแยกอย่างเนี้ยแล้วแต่ละตัวจะไม่มีตัวเราเป็นไตรลักษณ์ทั้งหมด การที่เห็นไตรลักษณ์ของขันห้านั่นแหละเรียกว่าปัญญานะนี้ก่อนจะที่เราจะมาทําปัญญาได้รักษาศีลไปรักษาศีลเสร็จแล้วต้องมาฝึกจิตให้พร้อมที่จะเจริญปัญญาถ้าไม่ฝึกจิตให้ดีจะเจริญปัญญาไม่ได้นะจิตไม่สงบจิตไม่ตั้งมั่นเดินปัญญาไม่ได้จริงการฝึกจิตนั้นจะทำได้จะทําให้เราได้สองสิ่ง 1. ได้ความสงบของจิตข้อ2ได้ความตั้งมั่นของจิต สองสิ่งนี้ไม่เหมือนกันความสงบของจิตหมายถึงจิตไม่ฟุ้งซ่านจิตของเราจิตของคนทั่วไปจิตของสัตว์ทั่วไปจะฟุ้งซ่านตลอดเวลาเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดนะพอ ค, คิดไปแล้วเดีย Space, เด๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงเนี่ยใส่ตลอดเวลานะเรามาหัดสังเกตจิตตัวเองให้ดีเราจะเห็นว่าจิตนี้ใส่ใส่ตลอดเวลาเดี๋ยวจับอารมณ์โน้นเดี๋ยวจับอารมณ์นี้จิตไม่เคยสงบจริงเลยนะเรามาฝึกจิตให้สงบ วิธีฝึกจิตให้สงบนะทำไมจิตถึงหนีไปเที่ยวจิตเที่ยวแสวงหาความสุขจิตถึงเที่ยวไปเรื่อยเรือเพราะเราหาอารมณ์ที่อยู่แล้วจิตมีความสุขมาเป็นเหยื่อล่อคนไหนอยู่กับพุทโธแล้วมีความสุขนะอยู่กับพุทโธไปคนไหนอยู่กับลมหายใจแล้วมีความสุขนะก็อยู่กับลมหายใจคนไหนดูท้องพองยุบแล้วมีความสุขก็อยู่กับท้องพองยุบ พอจิตใจมันมีความสุขอยู่ในอารมณ์อันใดอันหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะไม่ฟุ้งซ่านไปสู่อารมณ์อืนอ่นนะคล้ายๆเด็กนะเด็กซนเราเรียกมากินขนมมันชอบกินขน ม, มนชอบกินไอติมให้มันกินไอติมมันก็ไม่ไปสนที่อื่นนะงั้นในขณะที่จิตของเราไปอยู่ในอารมณ์ที่สบายมีความสุขเนี่ยจิตจะไม่ฟุ้งซ่านเราจะได้ความสงบเกิดขึ้นลําพังความสงบของจิตเนี่ยมีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกแต่ถามว่ามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ อย่างศีลก็มีมาก่อนพระพุทธเจ้าสมาธิฝึกจิตให้สงบ ก, ก็มีมาก่อนพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าไม่ปฏิเสธท่านเห็นว่าเป็นของดีนะท่านก็เอามาใช้เอามาสอนต่อเอามาขยายผลอีกนะเพื่อจะต่อยอดงนั้นคําสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยไม่ใช่ของท่านคนเดียวล้วนๆคาสอนส่วนหนึ่งมันเป็นนักปรักทั้งหลายเนี่ยสอนกันอยู่แล้วแล้วท่านเห็นว่าดีท่านเอามาสอนต่อยอดงั้นคําสอนของท่านเนี่ยคือคําสอนต่อยอดนะส่วนยอดที่ท่านต่อเนี่ยมีสองอัน อันที่หนึ่งคือการฝึกจิตให้ตั้งมั่นนะอันที่สองการฝึกจิตให้เกิดปัญญานะการฝึกจิตให้สงบเนี่ยมีมาก่อนพระพุทธเจ้าหรือสีชีพไพรทามาแล้วตอนท่านออกบวชนะออกจากวังไปบวชบางคนก็ว่าท่านหนีไปนะมันเป็นไปได้หรือเจ้าชายหนีออกจากวังไม่มีคนรู้เป็นไปได้ไหมวังนี้ไม่มีคนเฝ้าเลยหรือไงนะเนี่ยตำากบอกหนีไป ขี่ม้ากระโดดข้ามกำแพงมา้าตัวนี้ต้องแข็งแรงมากเลยมีคนเกาะหางหรืออีกคนนะโดดได้นะออกไปบวชนะท่านไปบวชแล้วท่านก็ไปเรียนกับฤๅษีเรียนกับอาราดาบท์อทุทกดาบทนะอาราดาบด์อุทกดาบท์นะอาราดาบทเนี่ยสอนเรียกว่าอากินจัญญายตนะสอนไปถึงสมถะนะถึงฌานที่7จนะ็ดอุทกดาบทเนี่ยสอนถึงฌานที่8 ชานที่เจ็ันที่8นี่เป็นอรูปประชานชาญนที่เจ็ดเพ่งความไม่มีอะไรว่างๆเพ่งความไม่มีอะไรเลยจับอยู่ที่ความไม่มีอะไรชานที่8ดเนี่ยจิตมันอ่อนกำลังลงนะนจะเคลิ้มลงไปความรู้สึกจะเหลือนิดเดียวรีบรีรีบดีเลยนะแทบจะไม่รู้สึกเลยนะรู้สึกน้อยฟ้าผ่ายังไม่รู้เรื่องเลยเราสมถะนะที่ให้ฝึกให้จิตสงบเนี่ยมีมาก่อนแล้วพระพุทธเจ้าท่านมาต่อยอด ตอนเด็กๆตอนพ่อของท่านไปแลกนาจำได้ไหมแล้วที่ท่านไปนั่งสมาธิไมท่านหายใจหายใจไปแล้วจิตสงบนะตรงนั้นน่ะท่านทำจิตตั้งมั่นแต่แล้วท่านลืมไปตอนเด็กๆ เ, เคยเป็นนะจิตตั้งมั่นแล้วท่านลืมไปนะโตขึ้นมาก็เที่ยวสแสวงหาทางหาไปที่อื่นนะหาไปฝึกจิตให้สงบหาไปทรมานกายหาอะไรดิ้นรนไปเยอะเลยเสร็จแล้วท่านก็เริ่มมานึกขึ้นได้ว่ามันตึงเกินไป ปรมานตัวเองก็ตึงเกินไปนะปล่อยใจปล่อยกายตามกิเลสก็หย่อนเกินไปทางพอดีพอดีนีรู้สึกตัวอยู่จิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนืกับตัวจิตใจที่อยู่กับรู้นั่นเองจิตใจที่รู้สึกนั่นแหละงั้นท่านมาหายใจนะหายใจด้วยความรู้สึกนะคราวนี้ไม่ได้เอาเคลิมไม่ได้มุ่งไปสู่อรูปฌานแะล้วหายใจด้วยความรู้สึกจิตตั้งมั่นถึงระดับฌานที่สี่ตั้งมั่นถึงฌานที่สี่ไม่ฟุ้งซ่านไม่อะไรสงบตั้งมั่นอยู่ นี้ท่านพิจารณาธรรมะได้จิตท่านควรแก่การเจริญปัญญาแลท่านมาเจริญปัญญานี้พวกเรายากมากเลยที่จะฝึกจิตให้ตั้งมั่นในระดับฌานที่สี่นะยากมันก็มีวิธีฝึกแบบช่วครั้งชั่วคราวนะให้ตั้งชั่วขณะวิธีนี้ครูบาอาจารย์สอนต่อๆกันมานกระทั่งในคําสอนของหลวงปู่มั่นก็มีเช่นให้เราหาอารมณ์กรรมาฐานมาสักอันหนึ่งนะเช่นพุโทโธก็ได้รู้ลมหายใจก็ได้ อะไรก็ได้นะแต่เดิมเคยทําใช้อารมณ์อันนั้นเพื่อให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์คราวนี้เปลี่ยนนิดเดียวให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้อารมณ์นั้นพุทโธพุทโธก็ค่อยๆสังเกตไปพุทโธเป็นสิ่งถูกรู้หายใจไปหายใจไปก็เห็นร่างกายที่หายใจอยู่เป็นสิ่งถูกรู้จิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้นะเนี่ยจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาถ้าจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วจิตจะกลายเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผูู้้แต่่่งไมใชผเพ นะถ้าทำสมสถะเฉยๆจะเป็นจิตผู้เพ่งนะถ้าไม่ได้ทำอะไรเลยจิตฟุ้งไปเรื่อยๆก็เป็นจิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แตง่งนะถ้าฝึกจิตให้ตั้งมั่นได้จิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะเราค่อยๆฝึกนะวิธีฝึกพุทโธไปหายใจไปจิตหนีไปเรารู้จิตไหลไปเรารู้พอเรารู้ทันว่าจิตไหลไปจิตหนีไปเนะี่ยจิตจะกลับมาตั้งมั่นได้เองตั้งเองนะไม่ต้องดึงเลยถ้าพยายามดึงเข้ามาเมื่อไหร่นะมันจะแน่นแน่นๆนี่ผิดละ พลมานตัวเองนั่นตึงเกินไปแน่นลนะแล้วโ อ, โอล่าลา่าเฟื่อนเฟือนไปไอ้นี่หย่อนไปนะถ้ารู้สึกตัวรู้สึกสบายสบายอย่างบางคนหลวงพ่อบอกว่าตื่นแนละ้วจิตตื่นก็คือจิตมันตั้งมั่นแต่มันตื่นชี้ว่าตื่นทีละขณะนะเดี๋ยวนึงก็ฟุ้งได้อีกหลับได้อีกอะไรเงี้ยมันต้องฝึกบ่อยๆทุกวันเราแบ่งเวลาไว้เลยทุกวันเราฝึกกรรมาฐานพุโทโธไปหายใจไปนะจิตไหลไปเรารู้ทันจิตไหลไปเรารู้ทันไม่ห้าม ในที่สุดจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพอจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ได้แล้วเนี่ยค่อยๆสังเกตลงไปร่างกายที่นั่งอยู่เป็นของถูกรู้ถูกดูนะเราจะเห็นว่าร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งนะจิตยแยกออกมาเป็นคนดูอยู่อีกส่วนหนึ่งนี่เราเริ่มหัดแยกธาตุแยกขันแล้วก็ก้าวเข้ามาสู่ในระดับของการฝึกเจริญปัญญาละนะการเจริญปัญญาเนี่ยต้องแยกธาตุแยกขันนะครูบาอาจารย์ฟันธงอย่างนี้เลย งั้นไม่ใช่ว่าจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเฉยอยู่แค่นั้นตัวนี้ติดสมถะละนะนะสมถะที่ติดผู้รูนะ้งั้นเราไม่ได้ภาวนาให้จิตสงบแล้วก็เฉยมีความสุขนะดูจิตไปจนจิตไม่หนีไปไหนเลยสงบอยู่ที่จิตอย่างเดียวแล้วก็บอกว่านี่เป็นพระอรหรันยังไม่ได้เจริญปัญญาเลยนะงั้นเราไม่เอานะไ่จิตให้ติดเฉยๆนิ่งๆเพลินๆไปวันหนึ่งวันหนึ่งเราอาศัยฝึกไปดยจนจิตตั้งมั่นเป็นคนดูได้ แล้วก็มาดูลงไปในร่างกายเราจะเห็นว่าร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูผมก็ไม่ใช่ตัวเราขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนะแต่ละส่วนแต่ละส่วนไม่เห็นมันมีตัวเราตรงไหนเลยผมเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าก็ไม่ใช่ตัวเราขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนะก็ไม่ใช่ตัวเราดูลงไปทั้งหมดทั้งมวลเลยก็ไม่มีตัวเรานะดูไปในความรู้สึกเช่นนั่งไปนานๆปวดขึน้นมาดูลงไปความปวดก็ไม่ใช่ตัวเรามันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้า พอมันปวดมากๆจิตกระสับกระสายเนี่ขาปวดนะแต่จิตกระสับกระสายความกระสับกระสายเป็นสิ่งที่แปลรปลอมเข้ามาในจิตมันไม่ใช่จิตหรอกนะเป็นอีกขันหนึ่งเรียกว่าสังขารขันนี่หัดแยกไปเรื่อยนะในสุดเราก็แยกได้ร่างกายก็ส่วนหนึ่งนะความปวดความเมื่อยก็เป็นอีกขันหนึ่งความทุรนทุรายของจิตก็เป็นอีกขันหนึ่งตัวรู้ธรรมชาติรู้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะั่นตัวจิตก็เป็นอีกขันหนึ่งนะฝึกไปเรื่อย และเราไม่ประคองให้จิตคงที่ตลอดเวลานะเราปล่อมันมีตัวรู้ขึ้นมาเราก็รู้ตัวรู้หายไปเราก็รู้ต้องฝึกอย่างนี้นะไม่ใช่หวงตัวรู้ประคองตัวรู้ตลอดเวลาจิตจะนิ่งนิ่งทื่อๆอยูอ่ทั้งวันทั้งคืนพวกที่ประคองตัวรู้อยู่จะเห็นขันอื่นๆเนี่ยนะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลายกเว้นตัวรู้จะรู้สึกว่าจิตเที่ยงจิตคงที่ไม่มีความเปลี่ยนแปลงถ้าฝึกอย่างนี้ไม่เดินปัญญา จ, จริงอ่ะยังสงวนรักษาสิ่งบางสิ่งไม่เป็นตัวเราของเราอยู่นะเราไม่ฝึกอย่างนั้น เราค่อยๆดูไปตัวรู้มันก็มีเดี๋ยวมันก็เป็นตัวคิดตัวรู้ก็มีเดี๋ยวก็เป็นตัวหลงไปตัวรู้เกิดขึ้นนะชั่วคราวก็กลายเป็นตัวเพ่งแม้ตัวรู้ก็แปรปลุนไปเดี๋ยวหลงล่ะหลงไปทางไหนเดี๋ยวก็หลงไปทางตาหลงไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจดูไปเรื่อยเราก็จะเห็นว่าตัวรู้หรือตัวจิตเองนะเกิดดับเหมือนกั น, นะตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เหมือนกัน <S <S ถ้าในขันห้าของเรานี่นะเราภาวนาแล้วยังมีส่วนใดส่วนหนึ่งนะ เก็บเอาไว้สงวนเอาไว้ไม่ตกอยู่ใต้ใตไตรลักษณ์แล้วก็ไม่มีทางเป็นพระโสดาบันเลยเพราะพระโสดาบันนะ <c oughs> เห็นขันห้าทั้งหมดเลยเป็นไตรลักษณ์นะนั้นถ้าเรายัางสงวนเอาตัวผู้รู้ไว้รักษาจิตผู้รู้ไว้ตลอดเวลานะจะไม่เป็นพระโสดาบันนะจะเข้าใจผิดอยู่อย่างนั้นเองนั่นะเราไม่รักษานะเรามีตัวรู้ขึ้นมาท่านนีน้มีแล้วก็เห็นมันมีขึ้นมาดับไปเราก็รู้ว่ามันดับไปก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เท่าเท่ากับขันอย่างอื่นๆนั่นเอง นี่ฝึกอย่างนี้เรื่อยนะนี่เรียกว่าการเดินปัญญาถ้าปัญญาแก่รอบจริงๆนะจิตมันจะสรุปเลยว่าตัวตนที่แท้จริงไม่มีสิ่งทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับนะบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอานาจไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจะเห็นอย่างนี้นะร่างกายก็มีเหตุเห็นไหมร่างกายหมดเหตุร่างกายก็แตกสลายไปอะไรหล่อเลี้ยงร่างกายอยู่ลมหายใจหล่อเลี้ยงร่างกายอยู่ไหมหมดลมไปร่างกายก็แตกสลายไปจิตใจก็เหมือนกันนะ กิมีเหตุมันก็เกิดอย่างโทสะจะเกิดก็ต้องมีเหตุต้องกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีเราต้องมีอนุสัยที่โมโ ห, โหยืนพื้นอยู่แล้วกระทบอารมณ์ไม่ดีขณะนั้นไม่มีสติหลงไปนะมีหลายเงื่อนไขนะกว่าโทสะจะเกิดเงื่อนโทสะก็ไม่ได้เกิดได้ง่ายๆต้องมีเหตุตั้งหลายอย่างมาประจวบกันพอดีๆแล้วก็เกิดนะราคาโทสะอะไรเหมือนกันหมดนะทุกสิ่งทุกอย่างนะต้องมีเหตุถึงจะเกิดกรนะทั่งสติก็ต้องมีเหตุให้เกิดนะ อะไรเป็นเหตุให้เกิดสติการที่จิตจําสภาวะแม่นเป็นเหตุให้เกิดสติอะไรทําให้สมาธิเกิดอะไรเป็นเหตุใกล้ของสมาธิความสุขเป็นเหตุใกล้ของสมาธิอะไรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาไม่มันเรียงกันเป็นทอดทๆเลยนั่นเราฝึกมานะฝึกมาเรื่อยๆรักษาศีลไว้มันก็มีความสุขจิตก็มีสมาธิง่ายจะมีสมาธิแล้วก็ฝึกไม่เอาสมาธิ <c oughs> ที่นิ่งนิ่งเคลิ้มเคลิมลืมเนื้อลืมตัว เหล่อเเลิน เ, เ, เหรือสมาธิออกนอกเที่ยวรู้เที่ยวเห็นอะไรต่ออะไรข้างนอกไม่มีสาระนะสนุกแต่ไม่มีสาระอะไรล้างกิเลสไม่ได้ล้างทุกข์ไม่ได้จริงนะมาฝึกจิตให้ตั้งมั่นดีกว่าแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ให้ทําสมถะเวลาเราฝึกจิตตั้งมั่นอยู่กับผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยจิตจะเป็นสมถะพลิกไปหาสมถะเป็นช่วงๆนะไม่เดินปัญญา ต, ตลอดหรอกบางช่วงก็จะพลิกเป็นสมถะเป็นเองแต่จิตจะสงบอยู่บนฐานไม่ไปเคลิมอยู่ข้างนอกไม่ไหลออกไปข้างนอก จะสงบตั้งมั่นอยู่บนฐานของมันเลยนะถึงโลกธาตุดับไปนะยังตั้งทรงตัวเด่นอยู่อย่างนั้นเลยไม่หนีไปไหนเลยนะนี่เนี่ยสมาธิชั้นดีเลยนะจิตทั้งสงบทั้งตั้งมั่นอยู่ในฐานของมันไม่ใช่สงบไปอยู่นอกฐา น, นไปอยู่ที่ลมหายใจอะไรอย่างนีน้ไปอยู่ที่ท้องไปอยู่ที่เท้านี่จิตออกนอกนะนี่นเราฝึกนะค่อยๆฝึกจิตของเราสอนมาตั้งนานสรุปได้ไหมว่าสอนอะไร สอนง่ายๆนะอันแรกรักษาศีลไว้ก่อนอันที่สองมาฝึกจิตฝึกจิตมีสองอย่างฝึกให้สงบวิธีฝึกจิตให้สงบนะหาอารมณ์ที่สบายใจมาล่อคนไหนอยู่กับพุทโธแล้วมีความสุขก็พุทโธไปเรืยจิตก็สงบนะคนไหนหายใจแล้วมีความสุขอยู่กับลมหายใจจิตก็สงบนะถ้าอยู่กับอะไรแล้วไม่มีความสุขก็เปลี่ยนไปไปหาอันอื่นบางคนทําอะไรไม่ได้เลยนะคิดถึงพระพุทธเจ้าหรืออ่านประวัติครูบาอาจารย์อ่านแล้วมีความสุขนะ ได้อะไรได้สมถะนะนี่ก็ได้สมถะเป็นสังขานุสติคิดถึงพระสงฆ์คิดถึงครูบาอาจารย์อ่านพระไตรปิฎกอ่านพระสูตรแล้วมีความสุขเนี่เป็นธรรมานุสตินะก็ได้ความสุขได้ความสงบนี่ก็คือสมถะเหมือนกัน ใ, ใจมันจะอยู่นอกๆหน่อยนะนี่เรามาฝึกให้ใจมันอยู่บนฐานจิตมันตั้งมั่นวิธีฝึกก็คือใช้อารมณ์กรรมาฐานเดิมที่เราใช้นั่นแหละแต่แทนที่จะให้จิตไปสงบอยู่กับอารมณ์นะให้จิตมันรู้อารมณ์ เห็อารมณ์เป็นของถูกรู้ฝึกอย่างนี้เรื่อยๆไปเห็นร่างกายเป็นของถูกรู้เห็นลมหายใจเป็นของถูกรู้เห็นพุทโธเป็นของถูกรู้รู้ไปเรื่อยในส่วนนี้จับเอาตัวผู้รู้ขึ้นมาได้มันขึ้นมาเองแหละโดยเฉพาะถ้าเมื่อไหร่รู้ทันว่าจิตแอบไปคิดนะตัวผู้รู้จะเกิดทันทีเลยนะอันนี้ง่ายมากเลยง่ายที่สุดนะคือรู้ทันว่าจิตแอบไปคิดเพราะอะไรเพราะจิตคิดกับจิตรู้เนี่ยกลับข้างกันตรงข้ามกันเลย ถ้าเมื่อไรเป็นจิตรู้จะไม่เป็นจิตคิดเมื่อไรเป็นจิตคิดจะไม่เป็นจิตรู้นะไม่เป็นพร้อมกันงั้นถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทานว่าจิตแอบไปคิดนะจิตจะตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในฉับพลันเลยนะงั้นอย่างอาจารย์สุรวัตรอย่างอะไรนี้ชอบสอนนะจิตไหลไปคิดแล้วรู้จิตเหลอไปคิดแล้วรู้อะไรนี้ก็สอนดีนะถ้ารู้เราจะได้อะไรได้จิตที่ตั้งมั่นได้จิตที่ตั้งมั่นเนี่ยเป็นพระโสดาบันหรือยังยังไม่ได้เดินปัญญาเลยเห็นไหม เอาจิตที่ตั้งมั่นมาเดินปัญญาเห็นกายมันอยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูอยู่ส่วนหนึ่งเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูอยู่ส่วนหนึ่งสังขารอยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูอยู่ส่วนหนึ่งจิตเองเกิดดับอีกด้วยนะนี่ถึงจะเรียกว่าเดินปัญญาถ้าไม่มีการแยกธาตุแยกขันธ์จะไม่เดินปัญญานี่การจะแยกธาตุแยกขันธ์ได้เนี่ยขันธ์เป็นส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยจะแยกได้บางคนนะมีอินทรีย์แก่กล้าเคยจเจริญปัญญามาแล้ว พอจิตตั้งมั่นปุ๊บนะขันจะกระจายตัวออกเองเลยเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งเลยนะบางคนนะอาบน้ําอยู่ดีๆถูสบู่อยู่ปุ๊บไปเฮ้ยนี่มันไม่ใช่คนและนะเป็นท่อนๆ อ, อะไรนี่รูปนี้ไม่ใช่คนละเห็นเลยไม่มีคนนะหรือความรู้สึกสุขทุกข์ความรู้สึกดีความรู้สึกชั่วอะไรพวกนี้ไม่ใช่ค น, นเห็นเองแต่ถ้าคนไหนไม่เห็นต้องช่วยมันนะพอจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเพื่อเบิก บ, บานแล้วมันตื่นแล้วมันเบิก บ, บานเฉ ย, ยอยู่อย่างนี้ต้องช่วยให้มันพิจารณา นะต้องกระตุ้นให้มันเดินปัญญาวิธีกระตุ้นให้มันเดินปัญญาเนะี่ยคือใช้ความคิดนี่เองนะไม่ใช่ว่าห้ามคิดตลอดชาตินะไม่ใช่เบื้องต้นบางคนต้องคิดเลยนะเช่นคิดลงไปเลยผมนี่เป็นตัวเราไหมนะผมเป็นตัวเราไม่ผมสัมผัส ด, ดูลองดึงผมของตัวเองดูรู้สึกไหมผมมันบอกไหมเป็นเราเห็นมันบอกอะไรเลยใช่ไหมนะขนได้ฟันหนัง่ะขนมีขนนะหลวงพ่อจับไม่ติดหรอนะเราจับติด ดูสิมันเป็นคนไหมนะฟันลองลองโยกดูที่ฟันเป็นคนไหมหรือถอนฟันออกมานะามาดูเป็นคนไหมเห็น ไ, ไหมดูไปไม่มีคนหรอกนะนี่ช่วยมันคิดอย่างนี้ก่อนเพราะจิตมันเคยเคยพิจารณานะต่อไปพอจิตมันรู้สึกตัวปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นเองเลยร่างกายนี้ไม่ใช่คนหรอกไม่มีคนไม่ใช่ตัวเราเราะฉนั้นเบื้องต้นอาจจะต้องช่วยคิดสําหรับบางคนนะถ้าจิตตั้งมั่นแล้วตั้งเฉยสงบนิ่งอยู่เฉยพวกนี้ต้องช่วยคิดพิจารณา พิจณาจิตก็ได้นะดูลงไปความสุขเป็นคนไหมดูไปความสุขเที่ยงหรือไม่เที่ยงความสุขเกิดขึ้นมาความทุกข์เกิดขึ้นมาความทุกข์เที่ยงหรือไม่เที่ยงนะความทุกข์ทนอยู่ได้นานแค่ไหนความทุกข์เป็นสิ่งที่เราสั่งได้ไหมดูไปให้ช่วยมันคิดพิจารณานะพิจารณาลงเป็นไตรลักษณ์พิจารณากายลงเป็นไตรลักษ์พิจาณาจิตลงเป็นไตรลักษ์เรื่อยๆเป็นการกระตุ้นกระตุ้นอะไรกระตุ้นสัญญากระตุ้นสัญญานะยังไม่ถึงขั้นกระตุ้นปัญญา กระตุ้นสัญญาสัญญาของพวกเราเป็นสัญญาวิปลาสสัญญาผิดผิดสัญญาวิปลาสมีสี่อันเห็นของไม่สวยว่าสวยอย่างร่างกายเนี่ยจริ ง, รงๆไม่สวยไม่งามนะสกปร ก, กโสโครกเราไปหมายรู้ว่าสวยว่างามนะสัญญาวิปลาสว่ามันเที่ยงกายนี้เที่ยงใจนี้เที่ยงเห็นไหมสองกระจกมาตั้งชั่วโมงแล้วหน้าก็ยังเหมือนเดิมสิวนี้เม็ดนี้ก็ไม่หายไปนี่มันเที่ยงน ะ, ะหรือว่ามันเป็นทุกข์นะหรือมันเป็นสุขชอบคิดว่ามันสุขนะ ชอบดูว่ามันเป็นสุขเห็นของที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขนี่ก็เรียกสัญญาวิปปลาดเห็นของที่ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนนี่เรียกสัญญาวิปปลาดถ้าสัญญาวิปปลาดมันอย่างรุนแรงเนี่ยมันไม่มาเดินปัญญาหรอกเพราะนั้นบางคนต้องช่วยมันคิดคล้ายๆปรับการมองของจิตใจใหม่แทนที่จะให้มันมองร่างกายว่าสวยว่างามนะมาคิดว่าร่างกายไม่สวยไม่งามช่วยมันคิดเป็นการกระตุ้นมันให้มันมองต่างมุมบ้าง มาคิดดูว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นการสอนให้มันมองต่างมุมนะดูว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์นะจะได้ไม่ประมาทมัวเมาเป็นการสอนให้มองต่างมุมไม่ใช่ฉันยังหนุ่มฉันยังสาวฉันยังแข็งแรงตลอดการหรือดูลงมาร่างกายไม่ใช่ตัวคนเลยไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุนี่สอนให้มันมองต่างมุมเป็นการปรับสัญญานี่ในระดับสัญญาเท่านั้นนะยังไม่ขึ้นปัญญานะแต่พอเราอาศัยสัญญานะปรับมุมมองสัญญานี่เหมือนมุมมอง มุมมองในกายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นอาสุภะเนี่ยนะมุมมองในจิตว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตต LIKE านะไม่มีอาสุพะจิตนะกายนี้มีอาสุพะนะนี่พอมีปรับมุมมองใหม่เนี่ยต่อไปจิตมันเคยชินที่จะมองมุมนี้พอเรารู้สึกตัวปับ๊บนะมันจะหันมาดูกายเนี่มันจะเห็นเลยกายนี้ไม่สวยไม่งามกายนี้ไม่เที่ยงกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลากายนี้ ng, เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่เราจะเห็นเองนะ จิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาปุ๊บมันจะเห็นกายนี่ตกอยู่ใต้ใจรักตั้งมั่นขึ้นมาปุ๊บมันจะเห็นจิตตกอยู่ใต้ใจรักนะบางคนไม่ต้องคิดนำไม่ต้องปรับสัญญานี่พวกนี้เคยฝึกเคยภาวนามาแต่ชาติก่อนๆนะเคยเดินปัญญามาบางคนถ้าไม่เคยหรือว่าความหลงผิดมันเหนียวแน่นก็ช่วยมันปรับสัญญาช่วยปรับมุมมองสันิดหนึ่งฟังคําว่าสัญญาแล้วฟังแล้วน่ากลัวแปลไม่ออกนะปรับมุมมองของจิตนะลองปรับมุมมองของจิตสัหน่อย เป็นการช่วยให้มันมองต่างมุมนะเคยว่าสวยมองว่าไม่สวยนะเคยว่าเที่ยงเห็นว่าไม่เที่ยงเคยว่าสุขเห็นว่าทุกขนะ์เคยว่าเป็นตัวเราเห็นว่าไม่ใช่เราตรงนี้ยังไม่ขึ้นวิปัสสนาเนะนี่พอจิตมันปรับมุม ม, มองแล้วต่อไปมันเห็นไตรลักษณ์เอ ง, งเห็นกายเป็นไตรลักษณ์เ <cach. S 2> ห็นจิตเป็นไตรลักษณ์เห็นโดยไม่เจตนาเชนตรงนี้แหละขึ้นวิปัสสนาแท้ๆแล้วนะนี่พอจิตมันเดินวิปัสสนาแก่รอบปัญญามันเกิดมันจะตัด จะตัดเลยจะตัดอะไรตัดความเห็นผิดนะตัดความเห็นผิดปัญญาเนี่ยทำหน้าที่ล้างความเห็นผิดนะศีลทําหน้าที่ล้างกิเลสหยาบหยาข่มกิเลสหยาบหยาคือราคาโทสะโมห oh ะสมาธิข่มกิเลสชั้นกลางนะคือนิวรณ์ทั้งหลายความฟุ้งซ่านของจิตปัญญาเนี่ยข่มกิเลสละเอียดคือข่มความเห็นผิดทําลายความเห็นผิดนะจะเอาปัญญาไปล้างกิเลสหยาบล้างกันไม่ลงนะุคนละชั้นกันคล้ายๆเอานักมวย หรือเอาจิตกรฝีมือดีนะั้นไปทาสีบ้านนะอย่างนี้ใช้งานไม่คุ้มนะสมมติจ้างจักรพันเป็นระบายสีทาตึกทาคอนโดเงี้ยประสาทกินทนใช่ไมไม่คุ้มกันนะนนธรรมะแต่ละอันสาคัญทั้งสิ้นศีล น, นะช่วยให้เราเนี่ยกิเลสหยาบๆยาบเกิดขึ้นเราไม่ตามมันไปไม่ให้กิเลสชั่วยาบครอบงำใจทำให้กายวาจาเรียบร้อยนะศีล ทำให้กิเลสอยากครอบงําใจไม่ได้ถึงครอบได้ก็ไม่ยอมทําผิดนะเมื่อไม่ยอมทําผิดกายวาจาเรียบร้อยสมาธิจะทําให้ใจเรียบร้อยใจไม่ฟุ้งนซะ่านแล้วคนละอันเห็นไหมต้องมีกายวาจาเรียบร้อยด้วยศีลนะมีใจเรียบร้อยด้วยสมาธิแล้วก็ฝึกให้ใจมีปัญญานะมีปัญญาล้างความเห็นผิดความเห็นผิดเป็นกิเลสชั้นละเอียดนะมันมีสองระดับนะเบื้องต้นที่ฝึกจะเป็นพระโสดาบันกันเนี้ยฝึกล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเรา เบื้องปลายฝึกล้างความเห็นผิดว่าเที่ยงว่าเป็นสุขนะว่าเป็นตัวเป็นตนนะเนี่ยพระอาหารหันต์ท่านจะเห็นนะว่าไม่มีของดีของวิเศษในขันห้าเลยท่านถึงวางขันห้าได้พวกเรายังวางขันห้าไม่ได้ยังยึดถืออยู่เพราะเห็นว่าเป็นของดีของวิเศษนะถ้าเราจเจริญสติแยกธาตแยกขันดูเป็นส่วนส่วนไปเห็นแต่และอันตกอยู่ใต้ใจ ร, รักนะถึงวันหนึ่งนะจิตมันฟันธงเปลี่ยงเลยไม่มีอะไรดีวิเศษสักอันเลยนะจิตจะวาง ว่าจิตวางขันเนี่ยเราจะไปเจอธรรมะที่อัศจริ๊งอัศจรร๊งนะอัศจรนะิจรรส๊สุดๆเลยว่าธรรมะอย่างนี้ก็มีด้วยหรือธรรมะที่พ้นจากความปรุงแต่งธรรมะที่พ้นจากกิเลสนะธรรมะที่พ้นจากความเป็นตัวเป็นตนจิตมันพลากออกจากขันนะพ้นจากขันห้าได้ด้วย น, ะนี่ธรรมะชนิดนี้ก็มีอยู่นะพวกเรามีบุญนะที่เราได้เป็นชาวพุทธได้ฟังธรรมแต่แต่เราปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรม บางคนฟังหลวงพ่อฟังแรกๆงงทุกรายอะ่ะไม่ใช่ว่าลึกลับซับซ้อนนะนี่แต่ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครเขาเล่ากันไม่ค่อยมีใครเขาสอนกันนะนี้ถ้าเรามาฟังบ้างนะได้ยินได้ฟังบ้างเรื่องขันห้าเรื่องแยกธาตุแยกขันเรื่องเจริญปัญญาเรื่องดูกายดูใจอะไรนะี่ก็เป็นโอกาสที่เราจะทําที่สุดแห่งทุกนะในวันข้างหน้านะวันนี้ยังไม่ถึงที่สุดแห่งทุกก็ยังลดความทุกข์ได้คนที่เรียนจากหลวงพ่อนะ มนับจํานวนไม่ทั่วหน่ะเราพ่อป่าว่าคงเป็นแสนแสนะทั่วโลกอะ่ะนับจํานวนไม่ถูกเลยนะแต่ที่เคยมาเจอส่งการบ้านเคยอะไรนี้เป็นหลักหมื่นนะส่วนใหญ่จะมาบอกว่ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับตัวเองนะเคยทุกข์มากก็ทุกข์น้อยเคยทุกข์นานก็ทุกข์สั้นนะอันนี้แค่เบื้องต้นเองนะแค่ฝึกให้รู้สึกตัวฝึกให้มีสติยังไม่ได้ฝึกปัญญากันเท่าไหรย่ย หลังๆนี่หลวงพ่อถึงเห็นพวกเราปรับจิตใจดีแล้จิตใจของเรารู้สึกตัวเป็นมากขึ้นมากขึ้นแล้วจะมาสอนเน้นเรื่องการเจริญปัญญานะแยกธาตุแยกขันไปต่อไปเราจะได้ได้ของดีของวิเศษกันนะเราจะต้องรักษาธรรมะเอาไว้วิธีที่จะรักษาธรรมะเอาไว้เนี่ยไม่มีที่ไหนเก็บธรรมะได้ดีเท่าที่หัวใจของเราเนี่แหละเอาธรรมะเข้ามาอยู่ในใจของเราให้ได้นะ ไม่ยากเกินไปธรรมะนี่พอดีพอดีที่มนุษย์ธรรมดาธรรมดานี่แหละจะรับไว้ได้นะมันหัวใจที่ซื่อใ ส, สของเรานี่แหละพร้อมที่จะรับธรรมะนะหัวใจเจ้าเล่ห์หัวใจแสนกลรับไม่ได้ช่างมันใครรับไม่ได้ก็ช่างมันช่วยไม่ได้มันไม่ใช่ทุกคนหรอกที่จะรับธรรมะได้กระทั่งสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าสอนเป่าๆนะมีคนส่วนน้อยหรอกที่ไปเรียนกับพระพุทธเจ้าใช่ไหมบอกคนส่วนมากก็ไปรัตที่ต่างๆซนะึ่งมันสนองกิเลสมากกว่า ดูแล้วมันตื้นๆง่ายๆสบายดีนะไปอ้อนบอนให้เทวดาช่วยไปฝึกจิตให้นิ่งสงบอยู่ภายในนิรันดรอะไรเงี้ยนะฝึกอย่างนั้นาศาสนาอื่นๆมันดูง่ายไอ้ที่จะมาฝึกเจริญสติพิจารณาธาตุขันอะไรเนี้ยแทบไม่มีเลยนะ้อยน้อ ย, อยรายจริงๆนะพวกเรามีโอกาสแล้วฝึกนะรักษาศีลฝึกจิตให้อยู่กับเนื้อกับตัวและจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วดูลงไปในกาย เห็นร่างกายไม่ใช่เราดูลงไปในเวทนาในสังขารดูลงไปที่จิตเห็นทุกอย่างเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยดูไปจนมันพอมันพอเหมือนเรากินข้าวนะเรากินข้าวเราไม่รู้จะอิ่มตอนไหนหรอกนะกินไปเรื่อยเถึงจุดหนึ่งมันอิ่มของมันเองจิตนี่เหมือนกันเจริญปัญญานะมีสมาธิหนุนหลังอยู่คือฝึกให้จิตตั้งมั่นมีศีลเป็นพื้นเป็นฐานไวนะ้ถ้าไม่มีเลยไปไม่รอดพอเราได้ศีลสมาธิปัญญาอย่างเนี้ วิมุตต์ความหลุดพ้นจะเกิดขึ้นหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากกิเลสหลุดพ้นจากความปรุงแต่งหลุดพ้นจากขันนะหลุดพ้นจากขันหลุดพ้นจากทุกขนะจะพ้นไปตามลําดับลาดับนะสบายยิ่งฝึกยิ่งมีความสุขนะยิ่งเห็นทุกยิ่งมีความสุขนะประมาณครึ่งชั่วโมงก็พอแล้วนะเทศยาวกว่านี้พวกเราจะเหนื่อยล้าเกินไปเห็นอเห็นใจนะได้ข่าวว่าบางคนมาตั้งแต่ตีห้าอาเชิญ นมันสการค่ะหลวงพ่อคือลูกได้เจริญสติมาประมาณปีกว่าๆค่ะแล้วก็เคยทําหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าให้ให้ไปเดินอ hmm? ให้ไปเดินค่ะให้ไปเดินจงกรมอ๋อ oh, ให้เดินค่ะ <c oughs> แล้วก็ไปเดินแล้วก็เห็นความคิดมันหลงไปคิดคิดสั้นบ้างคิดยาวบ้างแล้วก็เห็นร่างกายอยู่ต่างหาก hmm. แล้วก็ เ, ออเห็นหลงไปคิดนี่ก็จะเห็นว่ามันคิดได้เองอค่ะแล้วก็หลงไปเพ่งบ้างแล้วก็เวลาคิดนี่ก็จะเห็นว่าเวลาเราตาเรามองเห็นจิตมันก็จะไปปรุงแต่งหรือหูได้ฟังบางครั้งฟังเสียงด้านขวาอย่างเงี้ยก็จะได้ยินว่าออจิตมันไปปรุงแต่งต่อชอบไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเป็นประมาณนี้ค่ะหลงไปก็ประมาณามนั้ น, น, น<ล>แหละนะดี เห็นไหมขันทั้งหลายแต่ละอันแต่ละอันนะไม่มีเราทํางานได้เองรู้สึกไหมใช่ค่ ะ, ร, ะร่างกาย <นะ S 2> ก็ไม่ใช่เราใช่ไหมค่ะมันแยกออกไปตอนนี้ช่วยมันคิดค่ะว่าว่าร่างกายไม่ใช่เราแลาร่างกายทํางานได้เองอค่ะนั่นแหละเบื้องต้นนะบางคนก็ต้องช่วยคิดก่อนนะแต่ว่าพอถึงขั้นที่จิตมันเดินปัญญาเองนะสติสมาธิปัญญามันเดินอัตโนมัตินะตรงนี้ไม่คิดละน ะ, ะตรงนี้จะไม่คิดเวลาที่จะได้ของดีของวิเศษนะ สติระลึกรู้รู้ลงที่ไหนรู้ลงที่จิตโดยไม่เจตนาระลึกสมาธิตั้งมั่นอยู่ตั้งมั่นที่ไหนตั้งมั่นลงที่จิตโดยไม่เจตนาประคองเอาไว้ปัญญาอย่างซึ้งลงไปในจิตโดยไม่เจตนาไม่ต้องจิตนะไม่มีคำพูดตัวนั้นแหละถึงจะเจอของดีฝึกไปอีกนะหลวงพ่อถามบ้างมาถามหลวงพ่อจิตเป็นยังไงตอนนี้ตอนนี้ดีใจแ ล, แล้วมีอะไรอีก แล้วก็เป็นธรรมชาติไหมไม่ค่อยเป็นเออนะตัวนี้นสําคัญนิ่งๆไป น, นิดนึงตรงที่ดีใจเสียใจตื่นเต้นอะไรนี่โอ้ยธรรมดาถ้าหลวงพ่อถามว่าเป็นยังไงจิตเป็นไงไม่ต้องบอกตื่นเต้นอันนี้มันธรรมดานะถ้าบอกตื่นเต้นแล้วกดไวโอ้โหอย่างนี้ได้คะแนนเลยแสดงว่ารู้ทันแล้วเราเข้าไปแทรกแซงให้รู้สภาวะทั้งหลายอย่างที่เขาเป็นโดยไม่เข้าไปแทรกแซงเข้าถึงจะแสดงไตรลักษ ถ้าเห็นสภาวะแล้วเข้าไปแทรกแสงเขาจะนิ่งๆไม่แสดงใจรักจับหลักให้แม่นๆแล้วง่ายง่ายจริงๆนะไม่ได้แกล้งหลอกเด็กหรอกก็มีเท่านี้ใช่ไหมคะมีเท่านี้ใช่ไหมคะมีเพิ่มเติมอีกไหมฝึกจิตนะจิตให้ตั้งมั่นจิตให้ถึงฐานจิตขณะนี้ถึงฐานไหมรู้สึกไหมถึงไม่ถึงยังไม่ถึงเออไม่ถึงแล้วจิตอยู่ที่ไหน อยู่ที่หลวงพ่อเออใช่สอบผ่านอ่ะคนต่อไปกาบมานักการค่ะหลวงพ่อแล้วขอกันบ้านค่ะอ่ขอกันบ้านเหรอขอแล้วทํำไหมทํายังไม่ได้เลยค่ะเคยไปขอท่านที่ซีพีครั้งนึงแล้วอะไรนะเคยไปขอหลวงพ่อที่ซีพีครั้งหนึ่งแล้วค่ะจะทําไม่ได้ค่ะมันท้อเหรอมีเวทนาอยู่ค่ะเหรอฝึกอย่างนี้สิท้อให้รู้ว่าท้อดูใจไป นะฝึกดูใจไปไม่สบายหรือจ้ะไม่สบายเนีย่ยเป็นเวลานาทีทองของการฝึกนะเราค่อยๆสังเกตไปร่างกายไม่สบายแต่ทำไมจิตหดหูเห็นมจิตจะไปจับอยู่กับที่เบทนานออตองนะเลยค่ะร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยจิตเราเจ็บป่วยไปด้วยค่อยๆสังเกตไปร่างกายป่วยเนี่ยห้ามไม่ได้นะเป็นวิบากห้ามไม่ได้ ให้หมอเขารักษาไปหรือเขาแนะนํำยังไงเราก็ทําไปจิตนี้เราต้องรักษาเองค่อยๆหัดแยกไปดูถามตัวเองว่ากายป่วยหรือจิตป่วยนะต้องถามตัวเองดูนะจิตป่วยทําไมจิตต้องป่วยนะจิตมันรักกายมันถึงป่วยแล้วนะนะค่อยดูลงไปนะค่อยๆสังเกตจิตใจไปจิตใจจะไม่หดหู่หรอกนะความหดหูนั้นเพราะว่ามันรักกายมากมันไม่ชอบแล้วมันเกลียดเวทนาพอความทุกข์เกิดขึ้นน้าใจมันเกลียด รู้สึกไหมมันเกลียดค่ะใช่ตรงนี้หนูดูลงไปเลยดูใจที่เกลียดความทุกข์ความเกลียดเกิดขึ้นให้รู้ทันตัวนี้แหละโทสะมันทําให้ใจเราแห้งแลง้งนะถ้าเรารู้ทันความเกลียดนะมีความทุกข์แล้วใจเกลียดความทุกข์รู้ทันลงไปรู้ทันที่เกลียดนะั่นแหละความเกลียดดับนะจะเห็นเลยร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ต่างหากจิตไม่ทุกข์ด้วยแล้วกายมันทุกข์จิตไม่ทุกข์ละ น, นะฝึกอย่างนี้นะหนูต้องทํายังไงเป็นพิหารธรรมคะ เอเวทนาเป็นวิหารธรรมนะเวทนามันปวดขึ้นมาแล้วก็มารู้ทันจิตมันปวดขึ้นมามารู้ทันจิตเช่นจิตไม่ชอบจิตหดหูจิตทุรนทุรายรู้ทันจิตด้ื่อยๆนะใช้เวทนานั่นแหละเป็นเครื่องรู้เครื่องอยู่เพราะเป็นอารมณ์ที่ชัดพอรู้เวทนาอย่างชัดเจนแล้วก็มารู้ทันจิตนะจะเห็นเลยจิตไม่เป็นกลางดูอย่างนี้บ่อยๆนะจิตจะเป็นกลางคนที่ฝึกกับหลวงพ่อนะเยอะเลยนะ เวลาเจ็บป่วยมีมาส่งกันบ้านเรื่อยๆเจ็บป่วยนึกว่าจะตายแล้วนะเจ็บป่วยนึกว่าจะตายแล้วดูเลยร่างกายมันจะตายแล้วใจเป็นคนดูนะใจไม่ป่วยด้วยพวกนี้ไม่ค่อยตายง่ายๆอ่ะแต่บางคนใจเสาะนะป่วยนิดเดียวไปดูบอกให้ดูกายที่ป่วยจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่ดูอย่างนี้นะอไปดูโอ้ยฉันป่วยตายเลยรู้สึกว่าไม่ไม่อยากอยู่แล้ว <c oughs> อะไรนะรู้สึกมีความรู้สึกว่าเบื่อโลกไปเลยคะเบื่อเพราะว่าโทสะอ๋อ อย่าเอานะตัวนี้ไม่ดีไหนๆเรามีร่างกายไหนๆเราก็ต้องเจ็บต้องปวดแล้วเราเลี่ยงไม่ได้เอามาเจริญปัญญาซะหาของดีของวิเศษติดตัวไปนะดูลงไปเลยกายป่วยจิตอยู่สังหาจิตทุรนทุรายขึ้นมารู้ทันจิตมันเกลียดเวทนารู้ทันจิตจะสงบจิตจะตั้งมั่นขึ้นมานะฝึกอย่างนี้นะบางคนมาลาหลวงพ่อนะเป็นมะเร็งบอกหมอบอกขั้นสุดท้ายเป็นมะเร็งแล้วยิ่ไม่นาน เดือนหนึ่งจะตายแล้วอะไรอเงี้ยมาลาบอกกรรมาฐานที่เคยฝึกอยู่แตกไปหมดแล้วทําอะไรไม่ได้สักอย่างเลยหลวงพ่อบอกนะ<ม>ดูไปเลยนึกเอานะว่าร่างกายเราเนี่ยเราขอถวายเป็นพุทธบูชาเหมือนถวายดอกไม้ให้พระพุทธเจ้าไปเลยดอกไม้เมื่อเราถวายไปแล้วจะเหี่ยวจะเน่าอะไรไม่เกี่ยวกับเราแล้วนะใจของเราใครละรึกถึงเนี่ยเราร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราแล้วนะเราถวายพระพุทธเจ้าไปแล้วคอยคิดอย่างนี้เรื่อยนะคอแกไปมองนะ วันสองวันเองวันเสาร์มาถามนะวันวันจันทร์ใหม่อีกแล้วผ่นะองใสมาเลยจิตมันแยกออกมาแนละ้วนะเห็นร่างกายมันป่วยนะจิตไม่ป่วยนะนี่อยู่มาทั้งหลายปีแล้วป่านนี้ยังไม่ตายเลยหมอหน้าแตกไม่รับเย็บเลยนะนะอา้าวคนที่สามมีกี่คนละ่ะกราบนมรสการหลวงพ่อคะ่ะโยมได้สมัครอธิษฐานจิตสมัครเป็นลูกศิษย์ หลวงพ่อจากซีดีนะคะโอ้ไม่ต้องมีพิธีกรรมหรอกจะเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อนะฟังแล้วก็ลงเือปฏิบัติแล้วก็เป็นลูกศิษย์เลยนะไม่ต้องขึ้นทะเบียนหรอกณนะขณะนี้ช่วงที่ผ่านมาประมาณสักเดือนหนึ่งโยมรู้สึกว่าโยมเบื่อที่จะทะเลาะ ก, กับจิตตัวเองอเนื่องจากว่า มันปรุงแต่งจนโยมเหนื่อยอยากจะให้หลวงพ่อช่วยเปิดทางว่าจะทำอย่างไรให้สติมีความเร็วทันเท่าจิตทั้งในขณะที่ทำสมาธิและไม่ทำสมาธิในชีวิตประจำวันนะคะออก็เป็นท่าละหันสิ <laughs> ได้แหละถึงจะทันอย่างที่ว่านอกนั้นไม่ทันหรอกตอบตรงคำถามไหม <laughs> ทําทยงงไมันน่าจะมีเทคนิคในการสปีดความเร็วของสติเราได้นะคะหลวงพ่อสติ<อ>จะเกิดหรือสติไม่เกิดสั่งไม่ได้แต่เราต้องฝึกทําเหตุให้เกิดสติบ่อยๆวิธีฝึกให้สติเกิดบ่อยนะหัดรู้สภาวะบ่อยๆแล้วสติจะเกิดเองนะสั่งไม่ได้ดูไปใจไม่เป็นกลางดูออกไหมดูออกไหม ใ, หใจมีความอยากเกิดขึ้นนี่แหละให้รู้ทันลงไปตัวนี้ต่าหากที่ครอบงําเราอยู่ทําให้เราทุรนทุราย รู้ทันใจที่อยากมีสติรู้ทันใจที่อยากพ้นทุกนั่นแหละรู้ตรงนี้ลงไปเลยนะตัวนี้เป็นตัวหลักที่บงการพฤติกรรมของเราเราก็เจะดิ้นพ ล, า น, พลานไปตามความอยากนั่นแหละนึกออกไหมใจมันอยากมีสติมันอยากดีอยากให้มันหยุดปรุงแต่งจิตเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งนะเพราะจิตเป็นสังคตะรมไม่ใช่อสังคตะจิตเป็นสังคตะเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งอยู่เราะนั้นจิตยังมีความแปรปรวนได้อยู่ นี่จิตแปรปรวนไปแล้วเราไม่ชอบมีปัญหาอยู่ที่เราไม่ชอบต่างหากอยากไปยุ่งกับมันพอไม่ชอบอยากแล้วไม่ได้อย่างใจก็ทุกข์สิใช่ไหมมีความอยากเกิดขึ้นความทุกข์ก็ต้องตามมาเพราะความอยากเป็นตัวสมุทัยให้เกิดความทุกข์เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์นั้นรู้ทันลงไปเลยใจมีความอยากจะให้เกิดสติใจอยากจะให้จิตเลิกปรุงแต่งให้รู้ใจที่อยากนี้พอความอยากดับนี่นะมันเลิกปรุงแต่งของมันเองหรอก พ, พอไหวไหม มีอีกคถามอย่างน้อยก็ง่า ย, ายกว่านแรกนะนแรกเป็นท่ลาละหันตัวผู้รู้ที่หลวงพ่อเคยสอนอยู่บ่อยๆกับสติเนี่ยต่างกันยังไงคะตัวผู้รู้คือจิตซึ่งประกอบด้วยสติสมาธิปัญญานะงั้นสติเป็นแค่เครื่องมืออันหนึ่งของตัวผู้รู้เท่านั้นเองตัวผู้รู้นะมีทั้งสติมีทั้งสมาธิมีฮิริโอตัปปะนะมีศรัทธามีวิริยะ สารพัดเลยมีความดีๆหลายตัวรวมอยู่ในตัวผู้รู้แลนะตัวผู้รู้ก็คือตัวจิตซึ่งมีสมาธินั่นแหละจิตซึ่งมีความตั้งมั่นพอจิตมีความตั้งมั่นจิตมีสมาธิแล้วเนี่ยสมาธินี่แหละนะเป็นภาชนะเป็นที่รวมของธรรมะฝ่ายดีๆให้มารวมกันลงที่จิตอันเดียวนะนั้นสมาธิเนี่ยเป็นที่รวมนะทหน้าที่ไปรวบรวมองค์ธรรมฝ่ายกุศลให้มาทางานร่วมกัน งั้นสติก็เป็นองค์ทมฝ่ายกุศลนั่นหนึ่งนะพอเรามีจิตผู้รู้ขึ้นมาจิตผู้รู้คือจิตที่มีสมาธินั่นแหละมันก็ไปรวมาธรรมะดีๆมาอยู่ด้วยกันเยอะเลยแล้วก็พร้อมที่จะเดินปัญญาต่อนะอ้าวคนต่อไปเบอร์สีครับนมัสการหลวงพ่อค่ะพอดีว่าโยมฝึกจิตโดยการฟังซีดีนะเจ้าคะในขณะนี้ลูกอยากสอบถามว่าสภาวะจิตของลูกตื่นแล้วหรือยังเหรอ ตื่นได้ก็หลับได้นะตรงนั้นไม่สําคัญหรอกเวลาจิตไหลไปคิดรู้ไหมรู้เจ้าค่ะในขณะที่รู้ว่าจิตคิดเนี่ยขณะนั้นจิตจะตื่นค่ข<ณ>ะขณะที่หลงไปคิดนี่ยขณะนั้นจิตหลับเจ้าค่ะราะงั้นทั้งวันเดี๋ยวก็หลับเดี๋ยวก็ตื่นนึกออกไหมนึกออกนะออกให้ค่อยรู้ไปนะจิตหลับไปแล้วหลงไปแล้วรู้ทันจิตก็ตื่นขึ้นมาแวบหนึ่งเดี๋ยวก็หลับอี ก, ก็รู้อีกนะในที่สุดเราก็จะเห็นเลยจิตจะตื่นหรือจิตจะหลับบังคับไม่ได้จิตนี้ไม่เที่ยงจิตนี้เป็นไม่ใช่ตัวตนนะ ลูกขอวิหารธรรมที่ลูกทำอยู่อะค่ะไม่ทราบว่าลูกทำถูกแล้วหรือยังเจ้คะต้องกระดุกกระดิกหน่อยนะไม่งั้นเดี๋ยวจะติดเพ่งถ้าไปดูจิตรวดไปเลยเดี๋ยวจะไปเพ่งจิตเพราะว่าในการทำกรรมฐานเนี่ยช่วงก่อนที่จิตจะมีความตื่นเจ้าคะ่ะก็จะมีการไหลไปคิดแต่ว่าลูกคิดสั้นลง คือรู้เดี๋ยวรู้ซ้ายเดี๋ยวรู้ขวารู้เสียงรู้ในจิตในการคิดสุขสั้นลงทุกข์สั้นลงถูกแล้วมันเหลือเป็นขณะขะเท่านั้นแหละแล้วช่วงหลังประมาณเดือนที่ผ่านมาการตื่นของลูกเนี่ยช่วงแรกจะตื่นบ่อยมากช่วงหลังรู้สึกว่าตื่นน้อยน้อยลงแต่ว่าฝฝืดอืดอืดทำไมรู้ไหมไม่ทราบเจ้าค่ะเพราะว่าอยากตื่น พอความอยากเกิดนะสติไม่เกิดแล้วนะให้รู้ทันนะมันไม่มันไม่ตื่นรู้ว่าไม่ตื่นมันก็ตื่นเลยเจ้าค่ะเท่านี้ในขณะที่ตื่นช่วงหลังจะตื่นเป็นระยะไม่ทราบว่านานมากแล้วก็เกิดปิติสุขนานอ่ะน่ามันเป็นสมาธิไปแล้วค่ะนะเป็นสมถะไปแล้วเจ้าค่ะมันสงบลูกต้องแก้ไหมคะต้องแก้ถ้าจิตติดล็อกอยู่ตรงนี้จิตจะไม่เดินปัญญา นะวิธีก็คือมาดูกายให้เยอะขึ้นคิดเรื่องกายเลยผมกล้าเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนะไม่ใช่ตัวเราอนะไรเนี้ยกระตุ้นมันจิตจะเคลื่อนที่รู้สึกไหมจิตตอนนี้เคลื่อนปว่าตะกี้แล้วเจ้าค่นะนี่ต้องให้มันเคลื่อนที่ออกมานะอย่าให้มันนิ่งซึบบูอ้อยู่ข้างในนิ่งๆไม่เอานะาเสียเวลารูปทาถูกแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะเออถ้าทําอย่างนี้ได้ก็ถูกเลยถ้านิ่งทื่อๆ อ, อยู่ก็ไม่ถูกหรอกนะ อันนี้ก็คือรู้สึกตัวอยู่บ่อยมากรู้กายมากขึ้นรู้อย่าจงใจรู้นะเจ้าค่ะถ้าจงใจรู้จิตจะทื่อๆเจ้าค่ะนะคนต่อไปเบอร์ห้าคุณเจ้าค่ะเบอร์ห้าภาวนาดีขึ้นไหมเนี่ยเราเติมคําว่าไม้ลงไปกล่าวมั่นากหลวงพ่อครับก็มาส่งกันบ้านนี้ก็ปีกว่านะี่ยฮะก็รู้สึกว่าตัวเองรู้สึกตัวนิ่มเบาขึ้นครับ นั่นแหละดีแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้มีครูดูดูคอยมาเตือนอยู่ตลอดคือเวทนาทางกายครับซึ่งเมื่อวานไปหาคุณหมอเรื่องผ่าตัดก็คุณหมอก็บอกว่ามันค่อนข้างร้ายแรงแต่ดูใจตัวเองก็ไม่ค่อยใจเสียหรือว่าอะไรเท่าไหร่ก็เราพอวนาจนถึงป่านนี้แล้วคขอบคุณครับใช้ได้นะดีแล้วล่ะผมตัวอย่างหนึ่งผมจะไปติดว่างๆนิ่งๆรไม่ติดเหรอไม่ติดนะใจยังทางานอยู่ถ้าจิตว่างๆนิ่งๆมันพวกหนี หนีทุกข์หนีปัญหาจิตจะไปติดว่างๆนิ่งๆไปเที่ยวไปหาความสุขสงบหลบจิตไม่ได้หลบครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าก็ดีใจที่มีทุกขเวทนาอยู่สม่าเสมอถ้าทําได้ก็เพิ่มสมรถรนานิดนึงจิตจะได้มีกําลังนะ น, นี้ก็เดินจงกรมนั่งสมาธิอย่างที่หลวงพ่อบอกตลอดสมาธิมันความสงบเนะี่ยมันอ่อนไปนิดนึงครับแรงมันน้อยไปนิดนึงดูออกไหมครับบางทีก็มันสามารถมันจะไปได้ พงไปล า, านเลยอย่างนั้นน่ะบริกรรมไปเลยพุโทโธพุโทโธพุโทโธจิตนีแล้วรู้หาวิหารธรรมอย่างหนึ่งห า, หาวิหารธรรมคือคื อ, อพอดีตรงจุดนี้ผมอยากจะถามว่าถ้าเกิดผมดูทางอายาตนะเนี่ยมันจะไปติดว่างข้างนอกไหมฮะ <c ười> อย่าไปดูที่อายาตนะแค่รู้ว่าอายาตนะทํางานแล้วเกิดอะไรขึ้นที่จิตครับนะถ้าดูอายาตนะจะไม่มีกิเลสให้ดูเพราะ อ, อายากิเลสไม่ได้อยู่ที่อายาตนะครจนะรู้สึกอย่างหนึ่งว่าที่ตื่นเต้นเนี่ยเพราะรักตัวเองมากเลยกลัวไม่ดีกลัวเสีย ก็เหมือนกับวันนี้ก็สามารถมีบทเรียนอีกอย่างหนึ่งที่มาส่งกันบ้านรู้ความตื่นเต้นรู้รู้เบื้องหลังของมันดีครับเก่งขอบพระคุณครับต้องอย่างนี้สิอย่างนี้ถึงเป็นอะไรนะก็ไม่น่าห่วงหรอกรู้สึกไหมสมมุติว่าต้องตายจริงๆนะใครตายก้อนธาตุนี่แตกใช่ไหมเราไม่ได้ตายด้วยฝึกอย่างนี้แหลยดีนี่แหละเราถึงจะได้หลักได้ธรรมะเอาไว้ใช้อ้าวไปเบอร์หก นมัสการหลวงพ่อครับก็วันนี้มาครั้งแรกครับเก่งนีครั้งแรกเลจับฉลักได้ครับมาครั้งแรกแล้วก็โชคดีครับได้จับฉลักได้แล้วก็โชคดีไม่มีนะชาวพุทธเราไม่มีโชคก็มีกรรมนะมีกรรมทำให้จับฉลักได้อะว่างัยครับก็อยากขอรักในการปฏิบัติง่ายง่ครับสาหรับง่ายสุดๆเลยนะรู้ทันใจตัวเองไหม ใจสุขก็รู้ใจทุกข์ก็รู้ใจดีก็รู้ใจร้ายก็รู้นะรู้ทันใจตัวเองบ่อยๆโดยไม่เข้าไปแทรกแซงนะพอรู้บ่อยๆเราจะเห็นเลยสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวร้ายก็ชั่วคราวจิตมันจะกลายเป็นคนดูขึ้นมานะจะตั้งมั่นขึ้นมาได้นะครับไปทํานะขอแล้วต้องทํานะค ม, มาให้หลวงพ่อเหนื่อยฟรีๆบาปกรรมขอบคุณครับต่อไปต่อไป กราบนมัสการหลวงพ่อครับวันนี้มาที่นี่เป็นครั้งที่สองครับโอ้เก่งเหมือนกันคนนี้ครับครั้งแรกมาไม่เจอหลวงพ่อครับนี่เก่งกว่าเก่าอีกครับก็อศึกษาจากซีีหลวงพ่อมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็ช่วงแรกๆก็ฟังไปประมาณหนึ่งเดือนหลังจากนั้นจึงเริ่มปฏิบัติพอปฏิบัติได้สักประมาณเจ็วันก็ ขณะที่อ่านหนังสืออยู่ก็เห็นว่าจิตเผลอไปแล้วมันก็จะมีเสียงบอกเตะบอกไว้ว่าเผลอไปแล้วนะครับอพอสิ้นเสียงเสร็จมันก็มีความสว่างวาบขึ้นมาในจิตออนั่นแหละแล้วเราก็สัมผัสได้ว่าตอนนั้นมันจะมีความสุขแต่ว่าความสุขมันจะเป็นความสุขเหมือนกับความสุขที่เป็นความสุขจากการตื่นขึ้นมาใช่อย่างนั้นถูกไหมครับถูกแล้วอย่ายอย า, ยากนะ ถ้าอยากให้เป็นอย่างนั้นอีกจะไม่เป็นเลยครับก็หลังจากนั้นก็รู้สึกว่ามันก็จะเกิดบ่อยขึ้นแต่ว่าคำพากมันก็จะสั้นลงดีตอนนี้ไม่มีคำพากแล้วโอ้ดีจังเลยครับแล้วก็จากการปฏิบัติก็ตอนหลังๆเนี้ยรู้สึกว่ามันรู้เบาๆมันไม่มันไม่ไม่หวือหวาเหมือนกับการ ดูตอนแรกๆับธรรมดาก็เลยไม่ทราบว่ามันตอนมีแฟนใหม่ๆใหม่ใช่ไหมหัวหวาใช่ไหมเพราะหลายหลายปีนะวันนี้ภรรยาเราแต่งชุดอะไรยังไม่รู้เลยเขาอุตส่าห์ไปทำผมมาสวยนึกว่าจะชมนะยังไม่เห็นแบบเดียวกันแหละจิตก็เป็นอย่างนั้นแหละไม่หือหวาหรอกแล้วอย่างนี้แปลว่าเราติดอะไรหรือเปล่าครับไม่ติดนะแต่อย่าให้เฉยอย่าให้เฉยระวังจิตเฉยนะครับก็ต้องแอคทีฟหน่อยอย่างนี้วิหารธรรมที่ ควรจะปฏิบัตินี่คืออะไรครับกระดูกระดิกไปรู้กายไปด้วยอ๋อครับผมแล้วก็ตอนหลังๆรู้สึกว่าดูเวทนาแล้วมันมันห่างๆใช่มันจะห่างกายก็ห่างเวทนาก็ห่างนะครับสังขารก็ห่างมันเห็นจริงหรือว่าคิดไปเองครับเห็นจริงๆสิอ๋อครับผมพอจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะร่างกายก็จะอยู่ห่างๆเวทนาก็ห่างสังขารก็ห่างส่วนจิตนั้นเป็นผู้รู้ผู้ดู แล้เห็นมันก็เกิดดับด้วยเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดครับแล้วว่าครับอยากถามอีกอย่างหนึ่งคือบางทีเรารู้สึกว่าเราอยากจะปฏิบัติหรือว่าอยากปฏิบัติให้ให้ดีอย่างไงี้ครับจริงๆแล้วความอยากมันก็เกิดดับเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ว่าบางทีเราจะรู้สึกว่าความอยากมันจะค้างๆอันนี้มันมาจากเพราะว่าพอเราอยากพอเราจะปฏิบัติปุ๊บความอยากมันก็เกิดขึ้นทุกทีอย่างนี้ทุกต้องทันกัน แต่ว่าบางคนนะคิดไม่ดีคิดไม่ถูกอย่างความอยากปฏิบัติเกิดขึ้นไปรู้ทันพอความอยากดับเลยเลิกปฏิบัติเลยนะอย่างนี้ไม่ได้นะครับงั้นเราจะไม่ได้ทำเพราะอยากแต่เราทำเพราะสติปัญญาเห็นสมควรจะทำเราก็ทำครับนะงั้นอยากปฏิบัติรู้ว่าอยากนะความอยากดับไปก็ลงมือปฏิบัติตบางคนอยากกินข้าวแล้วบอกว่าจะทรมานมันไม่กินอันนี้ก็ไม่ถูก ความอยากกินข้าวเกิดขึ้นคือความตะกะเกิดขึ้นนะมีสติรู้ทันนะคราวนี้สมควรกินก็ต้องกินใช่ไหมใช้สติใช้ปัญญาจะไปซื้อของความอยากเกิดขึ้นเรารู้ทันความอยากดับไปเหลือสติปัญญาแล้วก็ดูว่าสมควรซื้อก็ต้องซื้อไม่ควรก็ไม่ซื้อใช่ไหมดำรงชีวิตด้วยสติปัญญาไม่ใช่ว่าต้องตามความอยากตลอดหรือต่อต้านความอยากตลอดครับอีกอย่างหนึ่งครับสุดท้ายแล้วนะครับก็คือฟังซีดีหลวงพ่อบ่อยครับแล้วก็ บางทีฟังบ่อยจนจําได้ว่าหลวงพ่อจะเทศว่าอะไรครับใช่แล้วแล้วทีนี้พอเราพ่อมาจะถึงตรงที่หลวงพ่อพูดจิตข้างในมันก็จะบอกว่าหลวงพ่อจะพูดว่าอย่างนี้ครับให้รู้ทันว่าจิตกลุสร้่านอ๋อรู้เลยว่ากลุ่มซ่านใช่ไหมครับเออรู้ไปเลยโอเคครับคือธรรมะหลวงพ่อนะพูดเหมือนกันทุกวันแต่ว่าจิตของเราอะรับไม่ได้เท่ากันอย่างเราฟังครั้งที่หนึ่งถึงครั้งที่สิบเนี่ยเราจะปิ้งขึ้นมาเข้าใจตัวนี้นะ พอฟังไปอีกสิบครั้งไปปิ้งที่เดิมแหละแต่เข้าใจคนละแบบ<ช>นะธรรมะจะเป็นอย่างนั้นนะจะเป็นเรื่องอัศจรรย์มากเลยงั้นอย่างเวลาที่พระพุทธเจ้าเทศไม่ได้ยกตัวเทียบท่านนะหมายถึงลักษณะของธรรมะมันจะเป็นอย่างนั้นเวลาที่พระพุทธเจ้าเทศเนี่ยจะมีทั้งคนเก่งคนไม่เก่งมาเรียนด้วยกันทั้งนั้นปนปะ น, นกันอยู่แต่ทุกคนจะรู้สึกเข้าใจเข้าใจตามชั้นตามภูมิของตัวเอง งั้นอย่างเวลาเราฟังธรรมะบางคนนะฟังมาตั้งนานแล้วบอกเพิ่งจะปิ๊งอ๋อหลวงพ่อพูดนี่หมายถึงตรงนี้ต่างหากนะงนะั้นฟังไปนะฟังไปแล้วก็สังเกตของจริงไปด้วยฟังอย่างเดียวไม่ได้ฟังแล้วต้องดูของจริงนะครับขอบพระคุณครับกราบ น, นบัศการค่ะหลวงพ่อแต่วันนี้อยากจะมากราบขอบพระคุณหลวงพ่อเรื่องแม่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วมานะคะแม่อายุได้83ดสิบ คือแม่เดินไม่ได้มาหลายปีแล้วเรา<ม>ช่วงหลังๆก็ไม่ไม่ไ ม, ไม่พูดไม่ได้ค่ะ<ม>ก็คือรับรู้ก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณ2ปีแล้วค่ะ<ม>ฟังมาทุกวันก็แม่ก็นอนฟังมาเรื่อยๆจนมีอยู่ช่วงประมาณปีหนึ่งก็ยังคือคือคอหนูก็ฟังมากับแม่นะคะก็ก็อยากรู้ว่าแม่เข้าใจอะไรแค่ไหนคือปกติแม่จะค่อนข้างขี้ตกใจแล้วก็ขี้กังวล ก็บอกแม่แม่เพ่งเป็นไหมแม่ก็ยินมใส่หัวเป็นเป็นก็จนจนมาถึงสองอาทิตย์ที่แล้วจนถึงใกล้ๆวันทีร่างกายไม่ค่อยจะไหวแล้วปกติจะเป็นคนบอกว่าเออแม่อยู่ด้วยกันนานๆนะไปทาบุญตอนเช้ายังบอกอยู่ด้วยกันนานๆนะแม่แม่ก็ยักหน้ากดกดน้ําพาแม่กดน้ําก็ยังยักหน้าอ่านเพรตอนบ่ายๆหัวใจเริ่มเต้นแรงมา สงสัยจะไม่ไหวแล้วเพราะพี่สาวก็คอยคอยบอกว่าให้เตร็มใจไว้บ้างนาะก็เลยไม่รู้จะบอกแม่ว่ายังไงพอก็ก็เลยบอกนึกถึงที่หลวงพ่อบอกพูดในซ mm ีดีเขาบอกว่าพราเพราะวันนั้นเพิ่งเปิดซีดีที่หลวงพ่อบอกว่าญาติผู้ใหญ่ของหลวงพ่อเพิ่งจะเสียชีวิตไปใช่ไหมคะก็เลยบอกแม่ถ้าแม่ถ้าแม่หายใจลําบากแม่ก็ดูไปเลยนะอย่างที่หลวงพ่อบอกอืดูไปแล้วก็ ลูกๆ ก, ก็โตกันหมดแล้วแม่ก็ไม่ต้องห่วง mm hmm. เพราะหนูก็กลัวว่าหนู mm hmm. เป็นคนเดียวที่บอกแม่ว่าให้แม่อยู่นานๆ mm hmm. กลัวเวลาแม่ไปแล้วจะมกักจะยังห่วงอยู่ mm hmm. ก็จนเอกอยู่มาจนถึงเอกวานตอนทีสี่รู้สึกแม่จะจะละเข้าใจไม่แน่ใจว่าทัดไปแตกหรือเปล่านะคะก็ก็เปิดหนวงพ่อจิตีหลวงพ่อส่งสารลุงชินแผนที่สิบเอดสบสองะค่ะ ท, ที่ที่มี มีอยู่ช่วงหนึ่งที่หลวงพ่อให้พรพอหลวงพ่อให้พรไม่กี่นาทีแม่ก็เสีย ก, ก่อนที่จะเสียก็บอกว่าแม่คือเอามาจับมือแม่อยู่แล้วก็จะไปหัวใจหัวใจเต้นแรงมากก็บอกว่ า, าแม่หัวใจมันเต้นแรงแม่ก็รู้ไปนะแม่ก็อยักนาะอยากนะากนเราพอไม่ต้องกลัวนะแม่กออ็อยากนาะคือปกติจะพูดไม่ค่อยได้พูดได้เป็นคา น, านานานสติดีเนาะก็ ก็จนจนหัวใจเต้นแรงแม่ก็อยังน้าก็คือแกก็น้ําตาไหลก็อปุมบอ ก, กแม่ไม่ก็ต้องไม่ต้องกลัวนะไม่เป็นไรจโจ น, จนพอหัวใจมันเต้นแรงมากๆกดจับอยู่ตรงเนี้ยแลค่อยๆแผ่วแล้วก็ไป mm. แม่ใจมันเต้นออกนะนะแม่รู้นะแต่ตอนนี้แกคงไปแล้ว mm. อเ อ, ออยากถามว่าตอนนี้ถ้าคิดถึงแม่อย่างที่หลวงพ่อบอกว่าไม่ต้องพยายามอย่าร้องไห้แล้วก็ mm. เพราะ คือเราก็ต้องให้จิตของเรานะเป็นกุศลไว้คนะแล้วก็พอจิตของเราเป็นกุศลนะเรานึกถึงเขานึกถึงให้เห็นหน้าเลยนะแล้วก็บอกเขาเรามีบุญมีกุศลนะเขาอุทิศให้คอย่างนั้นนะถึงจะดีเราวิหารธรรมก็ดูตัวจิตแต่ก็จิตดูกายก็มีทั้งหน้ามีกายกับจิตดูไปทุกวันแหละ ไปทําเถอะเท่านั้นก็เยอะแล้วจะเห็นน้ำ <c oughs> เห็นประโยชน์เลยเวลาจะตายหรือเวลาเกิดอุบัติเหตุมีคนมารายงานด้วยเลยลูกศิษย์หลวงพ่อนี่ชอบชอบลดกว้๊มรู้เป็นไรชอบขับรถเร็วนั่นแหละแล้วถือว่าถือว่าหนังเหนียวหรือไงรถกว้๊มนะจะรู้สึกร่างกายเนี่ยขยับเป็นช็อตๆนะปุ๊บปุเนี่ยหัวจะโคกแล้วหลบซะหน่อยอย่างเงี้ยเลยไม่ค่อยเป็นอะไรเนี่ยสตินะที่เราฝึกเอาไว้เนี่ย ถึงคลาวคับขันจะช่วยเราได้นะอะต่อไปนมมัส ก, การค่ะไม่เห็น<อ>เลยนะหนุ่มเสื้อสีชมพูนี่ตัวยอใหญ่บงังอ๋อเด็กเล็กกระติดหนึ่งอะมาส่งกันบ้านครั้งแรกค่ะตื่นเต้นมากโอเก่งเนี่รู้ว่าตื่นเต้นเคยเดินจงกรมตอนเด็กๆตอนอนุบาลเลยอ๋อตอนตอนเด็กๆนะเดินะดจงกรมนะ แล้วยังไงอีกอแล้วก็ตอนนี้ก็เดินมาบางทีเวลาเดินรงกลมก็จะรู้สึกว่ามันสงบบางทีก็ฟุ้งซ่านนะเออดีเดินจงกรมแล้วก็รู้ทันจิตไปนะไม่ไปบังคับให้สงบหรอกเดินไปเรื่อยๆ เ, เดินไปสบายเขาก็สงบของเขาเองนะแล้วเดินไปเราก็จะเห็นเดี๋ยวจิตก็สงบเดี๋ยวจิตก็ฟุง้งซ่านจิตนี้ไม่แน่นอนนะจิตนี้เป็นของที่ทํางานได้เอง นึกออกไหมจิตมันแอบไปคิดได้เองดูออกไหมพูดดังๆสิหลวงพเห็นไหมจิตมันทำงานได้มันคิดได้ค่ะแล้วก็บางทีเวลาดูลมหายใจตัวเองอะค่ะจะรู้สึกว่าแน่นนะคะ่ะจงใจดูกดหรือเปล่าเออกดไปนะรู้จักกดด้วยนะจงใจมากไปมันจะแน่นนะหนูดูเล่นๆไปหายใจไปเห็นร่างกายหายใจ เห็นไหมร่างกายเป็นคนหายใจใจเราเป็นคนดูอายุเท่าไหร่แล้ว11บเอ็ค่ะเออเนี่ยเริ่มขึ้นวิปัสนาแล้วนะส11บขวบเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูนะเห็นใจมันแน่นใช่ไหมใจเป็นคนดนะูฝึกอย่างนี้แหละดีแล้วเอออยากขอคําแนะนําจากหลวงพ่อค่ะหนูดูไปนะเกิดอะไรขึ้นในใจเราคอรู้อยากโน้อนอยากนี้อยากกินขนมอยากเล่นอยากอะไรนะรู้ไปเรื่อยๆนะขอบคุณค่ะ กราบนมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะคืออยากจะตั้งแต่ปฏิบัติธรรมมาะะเจอครูบาอาจารย์ก็เยอะไม่ตื่นเต้นเหมือนเจอพระอาจารย์ตื่นเต้นมากเลยค่ะก็ะอยากจะเรียนถามว่าตั้งแต่ต้นที่ปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมาถูกทางไหมคะมาถูกทางของตัวเองไหมคะมีสติไหมล่ะมีตลอดเลยค่ะ เวลาจะทําผิดศีลแล้วรู้สึกไหมรู้สึกนะมีความละอายอแก่ใจเห็นไหมมีตลอดจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไหมอยู่ค่ะ อ, อยู่แบบแข็งแข็งหรืออยู่แบบสบายสบายค่ะโอน ะ, ะแล้วเห็นไหมร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเห็นค่ะ <laughs> เห็นไหมความสุขความทุกข์ไม่ใช่กายไม่ใช่จิตเห็นค่ะก็ดีแล้วนี่ก็เหมือนอยากจะตอบย้ำอ่ะค่ะอาจารย์แต่ตัวหนึ่งที่อยากจะกราบเรียนถามนะคะไม่รู้ว่าเป็นวิบากหรือเปล่า จิตมันชอบไปตำหนิคนอื่นมันเป็นความเคยชินม<า>ไม่ใช่วิบากนะค่ะไปตำหนิแต่ว่าสติมันมีอยู่ใช่ไหมฮะเราก็ไม่ได้พ้องอะไรเพียงแต่รู้ว่าอเอาอีกแล้วนี่นแหละอย่าไปตกใจค่ะนะบางคนน่ะตกใจบางที <c oughs> นั่งๆอยู่มันด่าหลวงพ่อตกใจ <c oughs> จิตเนี่ยมันสอนไตรรักษให้เราเห็นไหม ม, มันว่าได้เอง <c oughs> อย่าไปตกใจนะ ในความเป็นจริงแล้วถ้าเราเห็นสภาวะธรรมเนี่ยสภาวะธรรมนั้นแสดงไตรลักษณ์อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วสภาวะจะเป็นสภาวะที่ดีหรือสภาวะที่เลวก็แสดงไตรลักษณ์เท่าๆกันไม่เราอย่าไปตกใจนะจิตมันไปด่าคนอื่นนะเราโมาแต่ตกใจว่าตายเธอนิสัยไม่ดีไปว่าเขานี่เสียท่าละแต่ถ้าเราฉลาดนะเรารู้เออจิตนี้เป็นอนัตตานะมันด่าเองด่าเองมันบาปเองเราไม่เกี่ยวนะเออบอกมันไปอย่างนี้นะทีหลังมันเข็ดเลย แต่จริงๆแล้วแบบตำหนินี่ไม่ได้แบบหยาบคายคือนึกเอ้ยคนนี้ทำไมเขาทาไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยให้รู้ทันนะรู้ทันตอนนั้นเราขาดสตินะแล้วเราก็เราไม่มีปัญญาเกิดขึ้นในขณะนั้นเรายังเห็นว่ามันมีคนอยู่มันเป็นบ่อยนะพระอาจารย์เป็นบ่อยก็รู้บ่อยๆก็อยากอยากจะเรียนกราบเรียนว่า จะให้พระอาจารย์แนะนําขั้นต่อไปให้หรือะมีอยู่ขั้นเดียวแหละมีสติรู้กายรู้ใจลปัจจุบันนะกายเคลื่อนไหวรู้สึกใจเคลื่อนไหวรู้สึกแล้วจะเห็นเลยทั้งกายทั้งใจไม่มีเรานะแต่บางครั้งเหมือนมันไม่พัฒนามันอยู่กับที่รู้สึกไหมตรงเนี้ใจโอดกลวน ร, รู้ทันลงไปเลยะนะอย่าไปเสียเวลาโอดกลวนรู้ลงปัจจุบันสดสร้อนร้อนเลยเวลาที่เราภาวนาเนะี่ยมันจะมีกิเลสตัวหนึ่งนะชื่อว่ากูกุจ กุศลใจเนี่ยจะเป็นความร้อนใจว่าของดีๆก็ยังทำไม่เสร็จของชั่วก็ยังละไม่หมดนะตัวนี้จะมาเผาผลาญเราให้รู้ทันน ะ, ะมันก็กิเลสตัวหนึ่งเท่านั้นเองเราจะไม่รีบร้อนแต่ก็ไม่ขี้เกียจกราบขอพระคุณค่ะคราวที่แล้วหลวงพ่อให้ไปดูตรงที่มันไม่เป็นกลางอะคะ่ะก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วรู้สึกจิตมันตั้งมั่นขึ้นมันรู้สภาวะได้ดีกว่าเดิมอะคะ่ะ แล้วขณะนี้จิตเป็นยังไงตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็พยายามกดเอาไว้ค่ะโอตอบถูกเนี่ยเมื่อกี้เฉลยข้อสอบไว้ก่อนแล้วว่าอย่ตอบแค่ตื่นเต้นนี่ <c oughs> ตอบดีตอบผ่านแล้วก็รู้สึกว่าทําไปแล้วตัวมันจะเบาขึ้นมันไม่ทึบเหมือนเมื่อก่อนนะคะเออแต่มันไม่จะไม่เบาหวิวนะ <c oughs> ถ้าเบาหวิวโงวงๆทั้งวันนั้นติดสมถะอีกแล้วแล้ว <c oughs> แต่ก่อนไปเพ่งจัดเลย <c oughs> เพ่งแรงๆก็จะแน่นๆ ถาเพ่งมันจะแน่นแล้วไม่ทราบว่าจนขนาดนี้มันเริ่มเดินปัญญาแล้วหรือยังคะหรือว่าเราจะทำํำเห็นกายกับจิตแยกจากกันไหมเห็นว่ามันคนละส่วนกัน น, ะะนั่นใช้ได้การที่เห็นกายกับจิตแยกเป็นคนละส่วนกันนี่เป็นจุดที่หนึ่งเลยนะจุดสตาร์ทจุดตั้งต้นของการเดินปัญญาเรียกว่านามรูปปริเฉทายานมีปัญญาแยกรูปปนามออกจากกันนะแล้วเห็นเวทนาแยกออกไปหรือยัง มันใช่พวกความรู้สึกเสียใจหรืออะไรพวกนั้นเสียใจยเป็นสังขารเนะสียใจกับจิตเป็นคนละอันกันดูออกไหมเออถ้าอย่างนั้นใช้ได้อย่างนั้นก็เรียกว่าสังขารก็แยกกับจิตอีกเนะนี่ยเราแยกขันไปเรื่อยๆนะหากแยกขันไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราเจอสภาวะธรรมแต่ละตัวเช่นความเสียใจนี่เป็นสภาวะธรรมนะเราก็จะเห็นว่าความเสียใจนี่ก็ตกอยู่ใต้ใจรักนะ ความดีใจเกิดขึ้นความดีใจก็เป็นสภาวะธรรมเราก็เห็นอีกมันก็ตกใต้ไตรลักษณ์โลภโกรธหลงอะไรก็เป็นตัวสภาวะก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เท่าๆกันหมดเลยการที่เห็นซ้ําแล้วซ้ำอีกเนี่ยถึงจุดหนึ่งจิตมันจะฉลาดมันจะสรุปได้ว่าทุกสิ่งนะเกิดแล้วดับทั้งสิ้นทุกสิ่งตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์อตอนนั้นเราจะเข้าใจธรรมะอยากให้มันมาถึงเร็วๆอะคะ่ะโอ้ไม่มีใครบรรลุพระอรหันต์เพราะความอยากหรอกให้หนูรู้ทันใจที่อยากนะ รู้ตรงนี้อยากเป็นตัวสมูทไทยทำให้เกิดทุกข์อยากไม่ใช่ตัวเหตุทำให้พ้นทุกข์นะเพราะฉะนั้นหนูต้องรู้ทันใจที่อยากนะจเจริญมรรคะหากเป็นเหตุให้พ้นทุกขนะ์ความอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์งั้นถึงอยากพ้นทุกข์นะก็ยิ่งทุกข์หนักกว้าไปอีกให้ดูตรงที่ความอยากใช่ใ ช, ใช่ให้รู้ทันตรงนั้นแหละ คือเวลาที่เราดูจิต ด, ดูใจนะในแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยจะมีสภาวะธรรมจำนวนมากเกิดพร้อมๆกันเราจะดูตัวซึ่งมีอิทธิพลสูงสุดอะ่ะนะตัวที่บงการพฤติกรรมของจิตอย่างความอยากเกิดขึ้นเนี่ยมันจะบงการพฤติกรรมเราลนะนะให้เรารู้ทันไปดูตัวที่เป็นพระเอกอะ่ะขอพระคุณค่ะกับนรมาสการ์ค่ะ อยากจะขอคําแนะนําว่าควรจะปฏิบัติในรูปแบบด้วยวิธีไหนอะคะ่ะจิตถึงจะมีกําลังอะค่ะเป็นคนประเภทไหนล่ะเป็นคนนิสยัยแบบไหนเป็นคนคิดมากค่ะคิดมากเหรอคืคิดมากเนี่ยตระกูลโมหะนะตระกูลฟุ้งซ่านหัดพุดโทโธไปก็ได้นะแทนที่จะให้มันคิดสเปสสปะนะให้มันไปคิดพุดโทโธพุโทโธไปนะพุโทโธแล้วก็คอยรู้ทันจิตพุโทโธแล้วจิตหนีไปคิดเรารู้ทันอย่างเงี้ย นะให้จิตมันมีเครื่องอยู่ไว้อันหนึง่งมันจะได้ไม่หลงไปคิดเรื่องอื่นนานๆไปบริกรรมไปนะแล้วพอจิตสงบจิตตั้งมั่นสองอันนะสงบกับตั้งมั่นแล้วก็มาหัดแยกธาตุแยกขันธ์ค่อยดูกายดูใจต่อไปแล้ว เ, เราควรจะสลับระหว่างการนั่งสมาธิกับการเดินจงกรมได้ไม่เป็นไรไไนั่งด้วยความมีสติเดินด้วยความมีสติ<อ>ะมีไหม<อ>หมดหรือยัง ขออีกหนึงนะอยากให้หลวงพ่อช่วยพาดูสภาวะทำเลยค่ะแล้วทำไมล่ะหนูดูไม่เห็นหรือไม่ค่อยแน่ใจค่ะสื่นเต้นดูออกไหมดูออกค่ะมีปีติดูออกไหมเออดูไม่ค่อยออกชักไม่ออกแล้วยากไปเมื่อกี้ใส่หน้าดูออกไหมเมื่อกี้เผลอไปใส่หน้าใจเผลอไปคิดดูออกไหมดูออกค่ะเห็นไหมร่างกายไปยักหน้านะรู้สึกร่างกายบ่อยๆนะดูกายง่ายกว่าดูจิต กลับนมัส ก, การเจ้าค่ะหลวงพ่อก็ช่วงนี้รู้สึกว่าใจสง บ, บได้บ่อยๆไม่รู้จะส่งกันบ้านอะไรดีอยากให้หลวงพ่อแนะนําเพิ่มเติมเจ้าค่ะสงบแล้วซึมไหมหรือสงบแล้วสบายโปร่งโล่งเบาส่วนใหญ่จะสบายนะไม่หนักไม่แน่นไม่ค่อยค่ะนะถ้าสงบอยู่แล้วนะก็มาหัดเดินปัญญาสังเกตลงไปร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดู ความสุขความทุกข์เป็นของถูกรู้ถูกดูนะกิเลสทั้งหลายเป็นของถูกรู้ถูกดูค่อยๆหัดไปเจ้าค่ะนะหัดแยกธาตุแยกขันธ์ไปนะทําความสงบเข้ามาแล้วก็มาหัดเดินปัญญาหนะลวงพ่อเจ้าค่ะปกติเนี่ยเป็นคนที่นั่งสมาธิอะไรไม่เป็นก็จะเจริญสติในชีวิตประจําวันบ่อยๆแต่มีความรู้สึกว่าสมาธิมันจะมาเองมาเองได้ บางทีนั่งอยู่แล้วมันมีความรู้สึกว่าพอจิตไหลแล้วแล้วสติไปเลิกเลิกรู้นั่นแหละนั่นแหละที่หลวงพ่อสอนเมื่อกี้เช้าใช่ไหมจิตไหลไปแล้วรู้กุมได้สมาธิขึ้นมาอย่างนั้นก็ได้นะแต่ว่าพอฝึกไปช่วงหนึ่งนะก็ต้องท่านทําในรูปแบบบ้างเจ้าค่ะที่ทําในรูปแบบไม่ได้เพราะจงใจทำนะอย่าไปจงใจทำติดถือว่าเรานั่งเล่นสวดมนต์เล่นๆสวดมนต์แล้วรู้ทันจิตสวดมนต์ไปแล้วจิตหนีไปแล้วรู้อะไรเงี้ยซ้อมไปเรื่อยๆมันจะทําให้ไม่หลงนาน จิตจะมีแรงถ้าเราทิ้งการทำในรูปแบบไปเลยนานๆเนี้ยจิตจะอ่อนแรงนะจะไม่ค่อยมีแรงปวดเปียกไปทั้งๆที่ลูกก็เดินจงกรมสวดมนต์ทุกวันนะเจ้าค่ะอ๋อถ้าอย่างนั้นใช้ได้แต่อย่าให้จิตติดซึมนะเจ้าค่ะเออถ้าทำทุกวันแล้วก็ระวังเรื่องซึมๆตอนนี้ซึมไหมไม่ค่อยอะแต่รู้สึกว่าตัวเองเหมือนประคองกดอ่งไรก็ตตัวเนี้ตัวดีละ รู้สึกไหมประคองไว้ก็เลยนิ่ ง, งๆซึมๆไปนะ อ, อย่าให้ติดตัวนี้เท่านั<ล>้นแหละเดิจงกรมไปค่ะแล้วปกติในชีวิตประจำวันเนี่ยรู้สึกได้ว่าสติเนี่ยเกิดบ่อยดีจะค่อนข้างชัดเออย่างนี้จะบอกตัวเองได้ไมหมคะว่าสติอัตโนมัติตัวเองเนี่ยเกิดแล้วมันไม่ได้จงใจให้เกิดมันเกิดเองนะอย่าง น, นั้นแหละดีเกิดไปบ่อยๆเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะดีแล้วล่ะจิตถึงฐานไหมขนาเนี้ย ส่งไม่ให้หน่อยหลวงพ่อไม่ได้ยินจิตถึงฐานเปล่ามันเหมือนลอยๆอย่างไรทราบป่ใช่ให้รู้ท like right ันนะตัวนี้จิตไม่ตั้งมั่นล่ะไม่ถึงฐานเจ้าค่ะให้รู้ทันเฉยๆมันจะเข้ามาเองเจ้ค่ะกับการนมัสการหลวงพ่อค่ะฟังซีดีหลวงพ่อมาปีกว่าๆแล้วค่ะแล้วก็ฝึกเจริญสติก็รู้สึกว่าจิตของตัวเองเปลี่ยนไปค่ะรู้สึกว่า เอเห็นกิเลสเห็นความหลงเห็นเห็นถี่ขึ้นอืค่ะ อ, อแต่ความกโกรธคือโทสะเนี่ยก็เห็นมากขึ้นด้วยอืค่ะแล้วก็เห็นแล้วก็ไม่ชอบอืมดีแล้วล่ะฝึกอย่างนั้นแห ะ, ะนะแล้วก็อยากขอคําแนะนําจากหลวงพ่อค่ ะ, คะว่าคือโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเป็นคนที่ที่ทํางานเยอะ แล้วก็อยู่ผู้คนอ่นนี้จะเจอผัสสะที่มากระทบทั้งกายทั้งใจง่ายแหละภาวนา ง, ง่ายค่ะก็ก็จะจะทำยังไงคะจะจะใช้อะไรเป็นเครื่องอยู่ในการดูจิ ต, ปตไปเลยสิกระทบอารมณ์นะจิตแกว่งขึ้นแกว่งลงทั้งวันนะดูมันไปน ะ, ะแล้วก็ถึงเวลาหมดเวลาแล้วก่อนนอนหรือก็ตื่นนอนใหม่ๆไ ห, หว้พระสวดมนต์ทําสมาธิหัดเดินจงกรมไม่ถนัดในการทําสมาธิแล้วก็ไม่มถนัดในการเอ ทำสมถะนะคะเหรอต้องฝึกไว้บ้างมันก็ดีนะไม่ฝึกเลยนะภาวนาไปนานๆรู้แห้งแรงค่ะนะค่อยๆหัดไปหัดไปวันละหนาทีค่ะแม่เอาเยอะนะจุดตั้งต้นเอาห้านาทีค่ะนะหัดสวดมนต์ไปแล้วก็ค่อยรู้ทันใจไปใจไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้ฝึกเนี้ยใจมันจะค่อยสงบเข้ามาค่ะขอคําถามสําหรับลูกชายนะคะวันนี้มาด้วยอายุ14คะ่ะอยู่ไหนล่ะอยู่ ด้านหลังกับคุณพ่อฮะก็ฟังซีดีของหลวงพ่อด้วยแต่ก็ยังไม่ค่อยมีสติขาดสติมากๆอยากให้หลวงพ่อให้อย่าไปว่าลูกนะใจไปเจอไปว่าลูกแล้วไปเขี้ยวเขียนแรงไปเปิดซีดีไปให้เขาได้ยินอย่ายัดเยียดธรรมะให้เด็กนะให้เด็กค่อยๆเรียนรู้แล้วก็เป็นเองถ้าเรารู้สึกธรรมะเป็นของดีเราพยายามจะยัดเยียดเด็กจะต่อต้านนะระวังตัวนี้ เด็กกัคนแก่เหมือนกันอย่ายัดเยียดนะขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะหมดหรือยังเอ่ยกราบนมัส ก, การหลวงพ่อครับฟังแล้วเหมือนได้คําตอบมาแล้วแต่อขอรายงานและกันเคยไปส่งกันบ้านที่สวนสติธรรมเมื่อสองปีกว่ามาแล้วหลวงพ่อบอกปฏิบัติดีอยู่แล้วแต่อย่าขี้เกียจแต่สุดท้ายก็ขี้เกียจครับแล้วก็เผลอไปยาวๆไหลไปนั่นแหละหลวงพ่อก็กลแล้วอย่าขี้เกียจสิ คือทําเป็นแล้วต้องทํานะครับก็กลับมารู้ตัวได้เมื่อเจอเรื่องแรงๆทําให้กลับมารู้เนื้อรู้ตัวอีกครั้งก็เรียนรู้จากความผิดพลาดความอยาความรู้สึกต่างๆแต่ว่าผมจะมีปัญหาเดิมก็คือการทําสมถธิครับไม่เคยทําได้เลยไม่ว่าจะเป็นนั่งสมาธิเดินยืกลมเค็ดลเคล็ดลับของการทําสมาธนะอันแรกเลยต้องรู้จักเลือกอารมณ์ต้องเป็นอารมณ์ที่ทําเราไม่เครียดอันที่สองต้องทําสบายๆอย่าไปเค้นจิต อย่าไปบังคับให้จิตสงบถ้าไปเข้นจิตนะไม่สงบหรอกทําเล่นๆพุทโธเล่นๆหายใจเล่นๆจะสงบง่ายครับก็จะรู้ตัวเมื่อบางครั้งที่เรานั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ไปกําหนดอะไรตอนนั้นนะครับจิตเนรวมเองถ้าจะมีสติได้แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือก็คือไม่ต้องไปบังคับตัวเองบังคับแล้วไม่รวมหรอกจิตต้องมีความสุขนึกออกไหมแต่เรานั่งเล่นๆอยู่จิตมีความสุขผิดรวมลงไปความสุขทําให้เกิดสมาธิ และการที่เราจะศึกษาลงลึกมากขึ้นการที่เราศึกษาอภิธรรมจะช่วยส่งเสริมในการปฏิบัติตัวนี้ไหมครับมันใช้เวลายกนะภาวนาก่อนการภาวนาจริงๆนี่แหละเรียนอภิธรรมนะเพราะฉะนั้นอย่างมีบางท่านนะเป็นอาจารย์อภิธรรมนะท่านแต่ที่วัดหลวงพ่อท่านพระผู้ใหญ่นะตั้งหลายสิบพรรษาอะไรเงี้ยท่านบอกเลยเวลาท่านสอนอภิธรรมเดี๋ยวนี้นะท่านให้ฟังซีดีหลวงพ่อประโมทไปด้วย แล้วก็ท่านก็บอกลูกศิษย์ท่านวนะ่หลวงพ่อประโมทใช้ศัพท์ไม่ถูกนะแต่สภาวะถูกนะสัตว์อย่างนี้นะให้หัดดูของจริงๆเลยแล้วเทียบกับตำลานะตรงกันเป๊ะเลยท่านบอกนะเพราะฉะจริงๆที่พวกเราหัดภาวนาทุกวันนี้เรากําลังเรียนอภิธรรมอยู่แต่เรียนอยู่ในภาคปฏิบัตินะเรียนให้เข้าใจพอสมควรแล้วนะค่อยไปเรียนอภิธรรมภาคปริยัติอยูเราจะเรียนแล้วง่ายจะเรียนง่ายไม่ต้องท่องจามากอย่างวิถีจิตไม่ต้องท่องเลย นะมันเห็นเห็นอยู่ต่อหน้าต่อ ต, อตาอย่เงี้ยง่ายนะหรือปฏิจจส ม, มุปบาทนี่ไม่เห็นเอ่นะก็ง่ายครับนะขอบคุณครับออกจบแล้วนะจบแล้วก็ดีแล้วหลวงพ่อจะได้ไปต่างคนต่างไปทางใครทางมันเนาะใช่ไหมทุกคนมีทางของตัวเองเพราะงั้นต่างคนต่างไปอยู่แล้วนะมีเพียงแต่ว่าทางที่เราเดินนั้น จะดีขึ้นหรือจะเลวลงเท่านั้นเองถ้าเราฉลาดามีสติมีปัญญานะเรามาเดินในทางที่ดีขึ้นเคยไม่มีศีลก็มีนะเคยไม่มีสมาธิก็มาฝึกให้จิตใจอยู่กับเน้อกับตัวไม่เคยเจริญปัญญารู้กายรู้ใจของตัวเองก็มาหัดรู้นะเนี่ยวิถีชีวิตของเราจะดีขึ้นเป้าหมายในชีวิตของเรามีเราไม่ได้เกิดมาลอยๆแบบไม่รู้จะอยู่เพื่ออะไรนะ ทุกคนมีเป้าหมายในชีวิตคือต้องพัฒนาจิตวิญญาณของตัวเองให้สูงขึ้นให้ได้นะอย่างน้อยแต่ละชาติต้องก้าวไปข้างหน้าอย่าให้ถอยลงไปนะด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญานี่แหละนะพอสมควรนะสุดท้ายนี้หลวงพ่อจะไปแล้วดู <c oughs> อยากไม่ได้ถวายครับว่าไปขอเป็นขออนุญาตเป็นตัวแทนทุกท่านในสารุงชินนะครับร่วมกันถวายทานครับ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายปัจจัยทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ประโมทปราโมทโชวขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลและนานเทินยถาวารีวะหาปูราปริภูเรนตีสาครางังเอวาเมวายโตทินนางเปตานางุปกะกปติยิตชิตังปฏิตังทุมหังคิปเปเมวาสมิชตุ สัพเพปูเรนตูสังกัปปจันโทปันรโสยถามณิโชติรโสยทาสัพพีติโยวิวัชชนตูสัพพโรโควินัสตูมาเตภวัตวันตรารโยสุขีทีคายยโกภวะอภิวาธนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโรธรรมาวัฏทันตีอายุวันโนสุขังพะลัง